จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฟธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันตามปกติถามต่อคมถามเกี่ยวกัรปฏิบัติทานศีนภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเจิญเข้ามาร่วมได้ในวันนี้ Facebook Live รีบร้อยได้ยังครับสักครู้ครับพระจังกำกำขลังทาอยู่ครับ ก็เราเริ่มไปก่อนดีไหมนี่ครับครับ <c oughs> okay. น่โอเคงั้นก็เริ่มครับพระอาจารย์ไปได้ก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามไปอะไปที่เดชงชยแเจ<า>ก็ไม่มีเ น, น็ับนครับแดงชัยนะคุณอไม่ใขอบ <นะ S 2> พรสการกับพระอาจารย์ PK แล้วนคุณลืมลืมชื่อชื่ออะไรคะ PK แล้ว บ, บอกพระอาจารย์ไปคะ PK ครับพระอาจารย์เรอมีอะไรไหมวันนี้ PK วันนี้วันนี้อินพูฟแล้วคะ่ะพาร์จารย์ดเลยอินพูฟยังไงให้รู้เหรอก็หนุ่มกับพาร์จาร์ดก็เป็นเด็กดีขึ้นหรือเปล่าเป็นเด็กดีขึ้นครับ เ, เช่นทำอะไรดีขึ้นอฟังคุณครูหรือเปล่าคะฟังคุณครูคะ่ะพาร์จาร์ดฟังคุณครูเหรอนี่อดีเหรอฟังคุณครูเมื่อก่อนไม่ฟังเหรอเมื่อก่อนฟังไหมคะ ไม่ฟังไม่ฟังมันจะเรียนรู้เรื่องอรอเมื่อวันจันทำวีรกรรมซดเบกกิ้งโซดาในห้องวิทยาศาสตร์ไปค่ะเหรอทดลองดูเลรวว่มามันอร่อยไมหมล่ะรสชาติเป็นไงบอกพ่อจันรสหวานเล็ยวแล้วทำยังไงโดลค์กับเยอะไหมอร่ย ลูพูดเองสิคะสองเมตรครับสองเมตรเหรอรู้สึกยังไงครับไม่รู้สึกอะไรตอนนั้ น, นครับเนาะแล้วคุณคณรู้หรือเปล่ารู้ค่ะพระอาจารย์มองดีๆๆๆๆิเลยมองคุยดีดีค่ะตอนเย็นก็พาไปหาหมอค่ะคุณหมอบอกว่าไม่มีอาการอะไรโอเคค่ะคราหน้าก็เลยมีการดุกันไป ชุดใหญ่เลยค่ะว่ามันไม่ใช่ของกินค่ะอืแหลก็ไม่รู้นะเออไม่รู้มันน้ําตาลแหลกหนุ่มมีอะไรจะถามพระจันทร์ใช่ไหมพูดดีๆสิบอกว่าอ๋ อ, อหนูอินฟูแค่นั้นไม่มีคําถามใช่ไหมไอ้เรื่องกิเลสอะไรพี่ลูกอ่ะไม่มีแล้วหรอมีไหม อ่าไม่มีอ่าโอเคอังั้นบอกพระอาจารย์ไม่มีำ ค, คำถามครับคำถามค่ะพระอาจารย์ตอนนี้นั่งสมาธิได้หรือยังครับตอไปชิไ่ไดต้อง น, น, นั่งแล้วคะนั่งเหรอนั่งได้นานเท่าไหร่ครับห0นาทีา60สน <c oughs> ิดนาทีน <c oughs> นาทีลูกหนึ่งนาทีแล้วครับสินาที <c oughs> เราต้องหกสิบนาทีเลย เห็นไหมเกต้นั่งได้ตังกสิบวินาทีเลยนะอาจารย์ถามนั่งทำยังไงบ้างทยังไงบ้างคะอาจารย์นั่งสมาธิเขาปล่อยจับใจเลกว่ะแลนั่งทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งแล้วคิดถึงอะไรอยู่เปล่านั่งบุตรแล้วก็ในสมองก็คิดถึงเลขกิดแล้วคับอาจารย์ เอาทั้งสองอย่างเลยทั้งเลขทั้งพุโทโธเลรใช่คับพาใจาต้องเอาอย่างเดียวสิยาว เ, เลขเอาพุโทโธนะเราเข้าใจแล้วคับพาใจโอเคปที่ท <You depend. S 1> ี่แผนหนนี้เดี๋ยวลองดูถึงเวลานั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงทานบวด น, นดีท่านต้องไปบวชแล้วเป็นบวชที่มีการปฏิบัตินะครับ ที่นี่ก็บวชได้แต่ต้องไปคุยกับเจ้าวอา้เขาแต่รู้สึก บ, บวชในนี้จะยากหน่อยเขาก็ถ้าไม่ก็จะบวชให้มบวชในเพราะยังเห็นว่าเป็นเด็กอยู่ไม่มีใครดูแลใครชิดแต่ตรงเรียนผู้รู้นี้ก็ทุกปีเขาจะมีบวชสิบห้าวันแต่เขาก็ว่าอยากจะให้ไปสมทูเพราะว่า เด็กที่ไปสัมผัสเขาไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับแบบที่โรงเรียนเขาบังคับก็อาจจะอาจจะเข้ากันเข้าเข้ากันไม่ได้ก็ว่ากันไปก่อนดูไปก่อนก็แล้วกันอยากให้พร้อมทั้งกายทั้งใจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าลําบากเลยคราวนี้เลยไม่อยากครับอยากให้ห่อแล้วก็ไปไกลๆเข้าทําเข้าอะไรไปเลยค่ะเอออย่างงั้นเลยก็ดี โอเคท่าทุกคนนี้ก็นั่งสมาธิไปก่อนทุกคนนะอย่าทิ้งนะครับโอเคกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับสี่สิบห้านาทีแล้วเหรอในนี้สี่สิบครับสี่สิบวโอเคเก่งได้ไดอ่าไปที่น้องทีมต่อกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับน้องทีมนัง่งตอ น, นี้นั่งได้กี่นาทีแล้วครับกราบนมสัส ก, การครับพระอาจารย์อันนี้ มากสุดนั่งได้10นาทีครับแล้วก็ช้าเป็นน้อยที่สุดนั่งได้มนาทีครึ่งครับ3นาทีครึงนะ่งอ่ะเรทำไมล่ะมั น, น, นได้มมันหากกันซะเกิน3นาทีวันเสาร์นี่คือตออ่อสวดตอนดึกแล้วครับแล้วก็ง่วงด้วยอ๋อก็ยังทำอยู <more>. ่นะครับได้น้อยก็ยังดีไม่ได้เลยนะครับอ่าเดแต่พยายามอยากให้มันน้อยบ่อยๆนะให้มันมากบ่อยๆ พวกวันสุกเสาร์ที่จะน้อยแบบพวกคุณธรรมดาครับเพราะว่าจะสวดตอนดึกๆนี่ยเาคุณเล่นใช่ไหมเพราะเล่นครับอ่อาก็ไม่เป็นไรก็ทาไปดีก็ไม่ทาเลยจะทำอาการทางที่สองได้เลยใช่ไหมอากาทรทางที่สองอมือไหรไม่เป็นไรอ่อลองอาการม ค, คนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่อในกระดูกม้ามหัวใจพังผืดไตตับไตเส้นบอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารตับายื่นในสมองศีสษะน้ำดีน้ำสาเห็ุน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือดน้ำลาย น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำมููกน้ำไข่ครอบน้ำมู๊ดยังขาดขานเกินเกินอยู่เ่อเลาให้อาจารย์ฟังสิที่วันก่อนที่ทมนั่งได้นานเพราะว่าอะไรอ่ะเออเอามันผนุมันก่อนนั่งได้สิดนาทีครับเพราะว่าเออง่วงครับอ่ม่วง้วนั่งได้นะ คนั่งหลับใช่ไหมสิบปินาทีไม่หลับหรอกครับเออคือที่หน่อยิ้นท่องอาการสาสิบสองพยายามท่องอาการสามสสองครับจะได้ไม่หลับ อ, อ๋อท่องได้นะโอเคดีเขาบอกว่าเขาก็พยายามท่องอาการสามสิบสองค่ะาพระอาจารย์เพราะว่าออจะได้จะได้ไม่หลับอะไรแบบนี้ค่ะใชกก่ก็กังขัดขัดเกินเกินอยู่อะค่ะาพระอาจารย์ยังไม่ได้แบบว่า มีสติอะไรมากแต่ว่าก็เขาเขาก็พยายามพยายามนะคะพระอาจารย์ก็แล้วก็หนูเองก็พยายามที่จะบังคับให้เขาต้องต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนะคะไม่ว่าจะยังไรก็ต้องพยายามต้องทําให้ได้ทุกวันนะคะพระอาจารย์ดีด<ะ>ทําไปเถิดได้มากได้น้อยก็ทําไปอย่างที่บอกก็ยังขัด ข, ขเกินเกินอยู่บ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ก็ทำได้ดีบางวันก็อาจจะถอยหลังอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังแบบ มีมีบางวันที่เขาจะแบบเหมือนเขาแบบขี้เกียจขอแบบไม่ทําได้ไหมแต่หนูก็บอกว่าไม่ได้ไงก็ต้องทํำเลยเนี้ยเพราะว่าในเมื่อถ้าเกิดแบบคุณเล่นเกมนะคุณทําอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นการสมบูรณ์นั้นสมาธิคุณก็ต้องทําได้เหมือนกันอะไรแบบนี้อย่ปล่ <c oughs> อย <c oughs> ให้ความขี้เกียจมันมาเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยไปค่ะ <c oughs> หนูก็บอกเขาแบบเนี้ยค่ะเราก็บอกว่าการแบบที่เขาง่วงนอนมันก็เป็นแบบ เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเลยแบบเนี้ยค่ะว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาง่วงนอนก็เลยความขี้เกียจมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ค่ะเขาก็ต้องขุดตัวเองมาทําให้ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ที่ต้องช่วยกันพยายามทำลายกันไปทางนี้มันมันมันเ็นเข้าขึ้นภูเขาก็ไม่ง่ายถ้าไม่ไม่เพียนพยายามมันก็จะไปไม่สําเร็จนค่ะ ทำให้ความเปลี่ยนได้ที่จะสำเร็จได้ได้ปะก็กกพยายามค่อยๆเข็นเขาไปอะค่ะพระอาจารย์ก็ก็คือวันนี้ก็เอาเขาเขาเขาสูมได้ทุกอาทิตย์ก็ก็ดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบเหมือนรู้หน้าที่แล้วเลยแบบนี้ค่ะ น, น่ะก็โอเคค่ะพระอาจารย์แต่ก็ต้องขอกราบขอเขามาพระอาจารย์ถ้าบางทีเขาอาจจะทำกิริยาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเลยวบนนี้ง่วงเหงาๆนอนบ้างอะไรแบบนี้ก็ตามปภาษานเด็กไม่มีแม้าเลย ค่ะภระาจาร์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะมันเหนื่อค่ะน้องพีตอ้องพีทาได้อย่างมรการทศนิสสองการรากการค่ะทำได้อยาออา่าง ค, ครับได้นิดหนึ่งได้กี่ขอ้อต้องได้แล้วก็ลืมนา <laughs> น้องว่ามาได้นิดหนึงได้ตรงไหนบ้าง เท่าเดิมแลามาหม <c oughs> ละค่ะปว่าอะไรลับตาผมผนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกยีนในกระดูกน้ำหัวใ จ, จใตับหลัเปืดใไตปอดไสใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายีนในสมองจัวชะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลือง น้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้คอน้ำไข้คอน้ำมูดน้ำมากลับได้ไอมน้ำไข้คอน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำตาน้ำมัน น้ำสลิดน้ำเนื้อนาำน้ำเลือน้ำเหนือน้ำเลดอน้ำเหลือน้ำสเิดน้ำสลหดดีดีดีดีดีดีด ใจขมื่อตะหัวใจได้น้อยม้ามก่อนมาเจอหัวม้ามเลี้ในกระดูกในกระดูกกระดูกเอ็ <Yeah. S 2> เนื้อเนื้อหลังปันเล็บขนผมเก่งนะ <c oughs> นี่เสียวซ่อนเล็บนี่ฮะ <c oughs> มาวินเลย <c oughs> ย, ยังตกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้เ <c oughs> นี่เราเวลา น, นั่งสมาธินองท่องนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรล <c oughs> องท่องอากาศสามสิบสองไปอย่างเดียวห้าาทีสิบนาทีแล้วจิตจะมีสมาธิเนี่ยเพราะต้องคิดแต่เรื่องอาการต่างๆเราจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้พอคิดเรื่องอื่นปับ๊บมันเรื่อยมเลย <c oughs> ในเวลาท่องก็บอกให้หลับตาให้หลับต า, าด้วยสมาธิใช่ถ้าเปิด ต, ตาเดี๋ยวเห็นห น, น, น, นู่นเห็นนี่เกิดมาว่าไปแล้ว ล, อ ล, ล็ลอกแรกล็อกแรกตาเนี่ย <laughs> ดีงามนะ้องพีเรานั่งห้าน า, นาทีดูช่องห้านาทีดูเราจะรู้สึกจิตมีสมาธิมากจะมีพลังนะฟังหลงตาสิอยากมามทําการบุ้งกันบ้านก็ได้อย่างดีเลยอม มันนี้น้องเสก็ดีจาได้เห็นแล้วะวันนี้จะบอกข่าวดีหรือข่าวร้ายให้หลวงตาฟันครับดมทำดีๆพูดดีๆแล้วพี่สอบเข้าได้ลุ่เสียขาได้เข้าได้เนี <c oughs> ่ยเข้าได้เนี่ยดีด้วยขอบคุณครับมีข่าวไม่ดีด้วยนะ ไม่มีอบอกนะเขาเขาไม่ดีไม่มีเร้วคะ่ะแกงแกงบอกว่าสอบไม่ได้ซึมเลยนั่งเออเลยพอกสอบได้นี่น้ำตาล่วงดีใจมากอยากเข้ามากที่นี่เพราะว่าได้ทำโปรเจกต์ได้ทำอะไรแบบนี้่อืมชล้วปีหน้าเนี่ยมมอชัอ้นมอนหน่งยมอสองค่ะมอสอง ดีใจมากาแล้วก็แล้วก็คิดถึงนักปนจะได้เป็นนักปรเดค่ะไม่รู้จ ะ, ปนนปะไปเป็นนักอะไรก็ไม่รู้ครั้นี้ทำเ ข, ข, ขามีได้หลายอย่างอะค่ะก็เลยก็เลยหนูก็ว่าอยู่ที่โรงเรียนปิดปากนี่พีปิดปากนี่สิลูกก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่ไม่ได้อะไรก็เลยพอถ้าย้ายไปทางนู้นเขาจะได้ใช้ EQ กับ อีคิวไอคิวให้เขาเต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่มีอะไรกั๊กแบบนี้ค่ะให้เขาแบบแสดงโชว์ของเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดะจะได้เอาสมองไปไปคิดแต่เรื่องที่แบบที่มันสร้างสารรค์ให้กับตัวเองที่ตัวเองเคยเป็นมาตลอดพอเริ่มโตปุ๊บมีมือถือมีอะไรก็พยายามจะตามเพื่อนหมดทุกอย่างเลยช่วงแบบนี้ก็เลยบอกให้ลองอา้าวตามตามไปตามเพื่อนไปตามเลยตามเสร็จแล้วเป็นยังไง บอกพาพาเราตกเหวหมดเลยไม่ได้ไม่ได้พาเราขึ้นขึ้นภูเขาอะ่ะพาเราตกเหวบอกให้ให้ให้ลองให้ลองดูเป็นไงสองปีครึ่งเป็นไงตกหวบเลยเฉ <laughs> ลี่ยจากสี่จุดศูนย์ศูนย์มาสามจุดแปดสามจุดเจ็ดสามจุดห้าเดิมที่ผ่านมาได้ส <laughs> องจุดสี่แปด ตดองไปเยอะเลยอ่าหนูเลยบอกว่าเออน่าจะทดลองมานานแล้วสองปีครึ่งบอกไม่ต้องทดลองแล้วล่ะจะหมอ <ตก S 2> มันไม่พัฒนาตกเหวแน่ๆนะอ่าตกตกเหวเลย <c oughs> เลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี้ยชอบบอกบอกแล้วว่าคบบัณฑิตกับคบคนผ่านเนะชอบคบแบบไหนนั่นแหละถูกต้องคบคนเจริญเขาก็เดินเงาให้ฉลาดคบคนโง้อเขาก็เดินให้เราโง่ โห่หนูนี่ฝืนมามากเลยค่ะของพ่อส อ, องปีกว่าในหนูฝืนแบบอยากทําอะไรทํำเลยแล้วให้ให้ให้เห็นผลลัพธ์ที่ตัวเองทอําว่าตัวเองมีความสุขไหมที่ตัวเองทําแบบนี้ต้องบางทีก็ต้องมาโกหกแม่อย่างเงี้ยอืก็เลยถามเขาวันนี้ก็เลยคุยว่าหนูมีความสุขไหมที่หนูทําแบบเนี้ยบอกไม่มีความสุขบอกแลทำทำ้วทาทําไมเขาก็เงียบถาความไม่ดีแล้วมัยจะต้องเป็นเป็นบางอืม เป็นบางความไม่ดีของเราใช่ไหมั้นอย่าทำนะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงจะเลยผิดก็ยอมรับผิดโนะชคดีค่ะที่เขาผิดแล้วยอมรับผิดแต่ก็หนูก็ต้องค่อยอค่อ ย, อยโทษลนะงโทษบ้างจะได้เข็ดดามค่ะยึดแล้วค่ะมือถือค่ะไม่ต้องเอาไปเลยค่ะทั้งเทมแล้วถ้ายังทำผิดอีก เทอมสองก็ไม่ต้องเอาไปค่ะยึดยาวเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องใจเพราะว่าหนูเด็ดขาดแล้วเพราะว่าไม่งั้นคือเขาจะไม่รู้ว่าเรามีกฎระเบียบคือปล่อยปล่อยแล้วบอกอยากทําตามใจตัวเองทําได้เลยเราต้องมีมีวินัยมีระเบียบค่ะพระหนูก็คนอย่างยิ่งพระเจะบอกการมีวินัยนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะ หวังมในบบในมงคลสามสิบแปดมาหนมือด้วยสิครับดวโชคดีนะ ม, มีคุณแม่คอยเดินคอยสอนมีคุณแม่ได้รู้ธรรม ะ, ะเป็นบุญดีแล้วนัแล้วเป็นังไงกับ ล, กลูกคนโตดีไหมเลี้ยงมาแบบเดียวกันหรือเปล่าโอ้คนตนี่เขาจะดืองเงียบแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขา เปลี่ยนถ่ายเหมือนกันนะช่วงแบบช่วงประมาณป .6 ม .1 อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ mm hmm. พอเขาเริ่มพอเขาเริ่มพอจบม .6 เออป .6 เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ที่ดีเขาก็แบบตั้งใจเรียนภาษาเขาก็จะเก่งอ่ะเขาชอบประวัติศาสตร์สังคมแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ภาษาค่อนข้างจะเก่งหัวไวก็สอน mm hmm. สอนแนวเดียวกันเลยค่ะสอนแนวธรรมะ สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญสอนแนวเดียวกันค่ะแต่ว่าคนนี้จะแบบว่าดื้อดื้อแบบโอ้โหแสดงออกคนโตจะดื้อเงียบก็ต้องแบบมีวิธีการสอนที่ที่แตกต่างกันใช้คําพูดที่แตกต่างกันแต่วิธีการสอนเหมือนกันก็คือใช้ธรรมะอย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะสอนคุณธรรมไว้ก่อนนะ<ช>ตรงดีก่อนดีก่อนเข็งค่ะวั น, นวันนี้เขาก็ไปดูไปดูโรงแรมกับคุณพ่อค่ะ ไปดูโรงแรมเพื่อเหมือนว่ากำลังดูว่าจะเทคโอเวอร์มามาทำเองอ่าเป็นแบบเป็นโฮสโฮสตโฮสโฮสต์โฮสเทลใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแบบเป็นแบบเล็กๆไห้ลองทาก่อนเพราะว่าสมัครงานที่ไหนโรงแรมเ้าก็ตอนนี้เขาก็มีแตบบ่เอาพนัก ง, งานออกนะใช่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ค่ะก็ก็วันนี้ก็ไปดูไปดูมานี่รอบสองนะคะก็ต้องไปไปเช็คดูว่ายังไงเพราะว่า คนที่เขาทำเจ้าของเก่าก็จะไปทําไปทําอ่าเกี่ยวกับผู้สูงอายุอค่ะดูแลผู้สูงอายุสุขภาพเขาก็แบบหมุนเงินไม่ทันเขาก็อยากจะแบบทามันสดะนะใช่ใช่โบแต่เขาก็ค่อนข้างจะราคาสูงเหมือนกันอืมค่ะก็เรื่องธุรกิจก็แล้วแต่ทําได้ก็ทาไปทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํำ มันจะไม่มีกินนะคะของพ่อไม่มีกินก็นบวดชนสะิบวดอยู่ก็แล้วล่ําทางโน้นก็ล่ำลํำๆว่าอยากจะกลับมานะคะทำมามาพูดนะคะเป็น <c oughs> เดือนสอเดือนหนูก็ปวนะ่วยอนูแบบนี้เบอเบื่ออยากอยากเพราเราใช่ค่ะเขาก็หนูก็ดูแล้วเขาก็มีคุยกับทางคนอื่นด้วยอืพอพอรู้ว่าแบบลูกชายหนูแบบจะ เหมือนแบบคุยกันว่าจะ take over ทำโรงแรมเองเนี่ยก็าตาโตเลยค่ะเหมือนแบบอืมเหมือนแบบกลับมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเห็นว่ามีมีเวลาจะได้มีมีงานทำดีกว่าอยู่เฉยเฉยไม่อะคือทางทางทางนูน้นอะเขามีงานทำแต่เขาไม่ทำค่ะอืมอ <laughs> แต่ง า, งานไม่ดีไหมอาจจะงานไม่ดีมันเป็นลูกจ้า โอ้ยงันงินดีหมดเลยเขารักสบายแต่ลูกหนูในโหเขาก็ทําช่วยพ่อเขาอะไรเงี้ยทํางานแต่ลูกชายหนูไม่ได้อยู่ว่างเขาพยายามเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้สําหรับที่จะมาเนี่ยมามามาสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองอืก็ก็ดีเน่อยที่เขาคิดได้ถ้าคนจะแรงน้องแม่ค่ะ แต่ทูเจ้าคุณค่ะขอให้หลวงพ่อแข็งแรงนะคะขอขอให้ขยันกันเลยกันนะขยันทุกอย่างเป็นยามาค่ะหลวงพ่อขนลุกเลยค่ะสทธุค่ะเดือนหน้าถ้าน้องพีปิดเทอมก็อาจจะได้ไปกราบหลวงพ่อนะคะได้จ้ะสาธุแต่ละนักการข้าจานผงไปเลยต่อขับนัสกันครับใช่ เสียงใครอ่าเสียงโนบีนะตามน้องอาจารย์ครับโอเคเป็นยังไงสบายดีท um ั้งคู่สบายดีครับอาจารย์อ่ก็โอเคก็พอถูกถ่ายไปตามสุภาพก็ก็ถ่ายมาหนึ่งอาทิตย์ได้เจอพระอาจารย์อีกวันนึ่งก็ได้เจอแันอาทิตย์ละวันอยู่อยู่อาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็แล้วกันก็ หายใจไปเรื่อยๆเอ่อทำไจะถ้าหยุดเมื่อไหล่ก็ไปเหมือนนั่นนะนะาฮ่า่างที่ไปเพราะหายใจกันไม่ไหวหมดเลยหมดแรงหายใจก็ดูอยู่ว่าเช้าเราได้ตื่นมากันทั้งคู่หรือเปล่านะเหมาะมองกันอยู่แต่ทุกอาทิตย์ที่คุยกับพระอาจารย์ประหยัดก็นั่งฟังทุกตัวทิตนะออดีอี มีมีคนไม่เข้าแต่มีคนฟังค่ะติดตามค่ะก็มีธรรมะได้ฟังนะครมดีกั่าฟังการบ้านการเมืองฟังแล้วมันปวดหัวไม่ไม่ฟังนลค่ะไม่ดูด้วยค่อยปล่อยไปค่ะธรรมะนี้ทำให้ใจเราเย็นสบายใช่ค่ะวันวันหนึ่งเรกลับเรียนพระอาจารย์ว่านังสือเล่มเข้าสู่แดนนิพพานตอนนี้อ่านไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะ เนี่ยเป็นยังไงอ่าเราก็เราก็โอดแบบดีมากนะคะสมัยสมัยนั้นที่ท่านแทพหลวงพ่อจันท์ก็อยู่ด้วยในช่วงนั้นค่ะเราก็ได้มาตรวจเช็คตัวเราเองทําให้ให้ซึ้งเข้าไปอมยากยากและเอียดมากไปเลยไปถึงอืโู่จุดเนี่ยนะคะพนิพานอืก็ได้ได้ได้เยอะค่ะ ก็พยายามปรักตรงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะใช่อ่านไปแล้วก็เป็นจุดเตือนตัวเองค่ะว่าว่าต้องทำทำอะไรบ้างแล้ว ม, มันละเอียดมากขนาดนั้นเนี่ยเราจะตามตามทันได้ใะจุดใดบ้างนะคะแล้วก็ยังมีความสงสัยอยู่ก็คือศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ข้อสงสัยไปดีมากโอเค ่าถึงขออยู่ต่อไปได้ทีหนึ่งนะเจอกันเจอกันวันพุธหน้าครับโอเคโอเคอช่าคุณเจนเจ็นเนเหรอใช่ไหมชื่อเนเจนหรือลจากเซียงไห้นะการนมัสการหลวงพ่อนะคะอาทิตยอนี้ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยิน อาทีนี้จะอธิษฐานจิสร้างวินัยให้ตัวเองว่าวันแล้วทำได้สชั่วโมงอะ่ะแล้วก็เดินจงกงนั่งสมาธิสลับกันดีทุกวันเลยเนีใช่ทุกวันล่ะคะ่ะก็อยากจะสร้างวินัยให้ตัวเองไม่ไม่งนนะั้นมันถูกกิเลนล่าไปนานมาดูทลอดูทลอส์ก็น้อยลงคะ่ะเออลดการ เสพเรืร่งสินกินรสให้น้อยลงถ้าถือสินแปดได้ก็ลองถือสินแปดไปด้วยกันดีเธอสินแปดได้ไหมเธอสินห้าถือสินห้าตรงนี้อ่ะสินแปยังไม่ถึงอ่าถ้าจะปฏิบัติให้ดีต้องมีสินห้าสนับสนุนอืมถ้าถือสินห้าก็ไม่ดูไม่ดูหนังฟังเพลงอะไรเลยไม่บันเทิงไมนไม่อ่าน ไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงและข่าวตรงนี้ก็ไม่ค้อยดูดูละคนอะไรก็คิดว่าเป็นหลายสาระอ่าอ่าก็ดูยักดูข่าวดูอะไรก็ไม่ควรยั น, นดูดูดูเขาดูดูวั น, ล, ววนละซั่งซั่งก็ไม่ควรดูนะคะอ่าถ้าเธอสิบแปดก็ไม่ควรดูแล้วแ<ม> ล, อ ล, อลอ้องเทวสิบแปดมั น, นอาทิตย์ละหนึ่งวันดูทดลองดูไปก่อนอืม ไม่ต้องถือทุกวันต้องถือสิบแต่ดูอาทิตย์ละหนึ่งวันโอเคได้ค่ะได้สิบแปดก็ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันอใช่หลังเที่ยงไม่กินอะไรนะคะเข้าใจค่ะแล้วก็ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดูละครไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรไม่ไปสังคมไม่ไปงานเลี้ยงไปปาร์ตี้ไม่ไปไหนเก็บตัวอยู่ในบ้านอาทิตย์ละทาได้หนึ่งวันเหรอคะทําได้ ก็ทดลองก่อนเนี่ยทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ตอนต้นถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่เคยทำก็ลองทำหนึวันหนึ่งของทำได้ไหมถ้าทำได้้นถ้าทำได้ก็เพิ่มเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วแต่เราแล้วก็นอนนอนมันเดีมันนอนบนฟูกนาหนานอนนอนบนพื้นนอนกับเพื้นที่แข็งแข็งจะได้นอนไม่มากอนอนไม่เกินสี่ห้าชั่วโมง ต่อคืนจะได้<อ>ตื่นขึ้มานั่งสมาธิต่อได้เดี๋ยวอยากจะทํามหลวงพ่อว่าภาวนาเอกิ่งน้อยอ่ะกิ่งน้อยผู้น้อยเข้าใจแต่ ว, ว่านงน้อยหงงน้อยมันร่างกายภาพผมไม่เพียงพอมันดีก็ห้าชั่วโมงก็พออ่าห้าชั่วโมงเหรอคะอ้ห้าชั่วโมงเลยเพื่ต้องใจว่านอนเกินลสี่ชั่วโมงนั่น โอ้ตอนนี้น่าจะถึงโคชั่วโมงละค่ะยังต้องต้องต้องน้อยกว่าอีกนะคะถ้าถ้าถ้าถ้าไม่กินข้าวเย็นมันก็จะนอนน้อยลงไปเองนี่มันนอนมากพรมันกินข้าวเย็นด้วยเข้าวเย็นไม่กินละค่ะวันแรกนอตอนนี้เกินสองมื้ออย่าไปกินทางเที่ยงวันไปแล้วอืแตวตอนเคยมันจะ มันจะไม่นอนมากจะได้มีเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมได้มากขึ้นอืมเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็จะพยายามดูนะอยู่อยู่บ้านอยู่คนเดียวแล้วอยู่อยู่หลายคนอ่ออยู่อยู่กับสามีค่ะอแล้วเขาเขาจะเข้าใจไหมว่าเราปฏิบัติทำอยู่เนี่ยเข้าใจค่ะโอเคอืเดี๋ยวเขจะคิดว่าเราบ้าได้ <laughs> เขาเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาไม่ทำอะ่ะมีแต่เตรามีตแต่วราเขาทำคนเดียวค่ะอตัวใครตัวมันมรื่ง้บังคับกันไม่ได้ใช่ค่ะอืมก็ดีเข้าใจต้องตั้งส<ต>ัจจะไว้แล้วก็ทำตามที่เราตั้งใจไว้อืมค่ะผมพ่อจะตรงนี้ก็จะพยายามตั้งตั้งสัจจะไว้อธิษฐานจิตก่อนเดีย๋ยวว่าไม่งนนะั้นทุกวันวันก็จะ ใช้ชีวิตประมาณไม่ได้ล่ะค่ะอืมใช่ถ้าเราปล่อยตามใจมันก็พาเราไปเตลิดเปิดเปลงไ ป, ปแต่ตอนนี้ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะคุณภาพสติไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเห็นมันเห็นผ้าไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับว่าเห็นผู้ผู้ภ้าผู้ผู้ผู้มีอยู่แต่ว่าสติมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะ ม, นมันผ้ามัน มัวมัะไม่ค่อยมุมภาพอะไรมองภาพอะไรอยู่มีเสียงพูดตลอดเลยอ่ะมันมันเสียงก็อย่าไปสนใจเวลาเดินโยกลมต้องใช้พุทโธพุทโธกํากับใจไหมครับบางทีพุทโธก็หายไปอย่าให้มันหายเดี๋ยวนึงกลับมาใหม่อให้มีพุทโธตลอดเวลาเดินไปก็พุทโธพุทโธไป่ด้มีพุทโธก็ต้องดูละดูเท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไป มันต้องมีอะไรปลูกใจไว้ถ้าไมงั้นเดี๋ยวมันจะหายไปมันจะลอยไปที่อือ่นม้วจะไม่มีสติใช่สติน้อยอยู่อือน้อาใช้พุทโธพุทโธนั่งัปกับพุทโธพุทโธเดินดูเท้าเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอืมค่ะเวลานั่งสมาธินั่งสมาธิก็ดูลมเข้าออกก็ได้ ไม่พุโทโธก็ได้อย่านั่งเฉยๆนั่งมีอะไรคอยกํากับใจถึงยังไม่สตินัง่งนั่งสมาธิก็พุโทโธพุธโทโธไปอ่ะอ่าก็ได้อือย่านั่งเฉยๆอย่านั่งรับใจลอยไว้ให้เิดเรื่อง น, งนี้ไม่ได้อืแล้วก็นั่งสมาธิก็คือว่าอาทีนี้นั่งสมาธิคุณภาพไม่ค่อยดีเพราะสติไม่ค่อยมีใช่สติยังน้อยอยู่อืา ต้องพยายามฝึกสติรเรื่อยๆถึงแม้เวลาไม่ได้เดินไม่ได้นั่งก็ยังต้องฝึกสติต่อตอนในชีวิตประจำวันต้องต้องต้องตองตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเริ่มต่างขึ้นมาก็พูดโทไปเลยทำอะไรก็พูดโทไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปให้คิดพูดโททั้งวันละคะ่ะเออ<จ>ทั้งวันเลยเอ้ หรือถ้าเหนืห่อยพุโทโธก็สลับมันดูเฝ้าร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกินก็อยู่กับการกินกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าไปคิดเรื่องอื่นเข้าใจละค่ะอออืฝึกสติเยอะๆแล้วเวลานั่งสมาธิจจะนิ่งจะสงบได้ง่ายอโอเคอาทิตย์ี้มีการบ้านละค่ะปาจะ เธอสิงไปหนึ่งวันเดี็กก็นั่งสมาธิแล้วก็ในชีวประจังวันพุ ธ, ท, ธทุ่วทุ่เวลา น, นะคะ่ะทุ่วเวลา น, นอนสี่ห้าชั่วโมงดูวันพระวันที่ถือศีลแปดเาไม่ยอมนอนสี่ห้าชั่วโมงพอสี 4, <5 S 1> นอน่ห้าชั่วโมงนอนกับพืน้นสี่ห้าชั่วโมงทุกทุกวันล่ะคะ่ะอาจารย์เแต่ว่ า, ว, าวันที่วันถึงถือศีลแปดเนี่ยโอเคอ้สี่ห้าชั่วโมงได้ได้ได้ไดไดกนะ็นั่งทุกวัน ทุกวันทุกวันก็ได้ยิ่งดีทําได้ทุกวันยิ่ดีทุกทุวันยังทําไม่ค่อยได้อ่ะก็ค่อยสิก็อ่านหนึ่งวันก่อนอ่าค่อย่อยไปอานหนึ่งวันก่อนเริ่มที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้ขยะเพิ่มเป็นสองเป็นสามไปเรื่อยอจารได้ละกําบันอาทีนี้ละค่ะเข้าใจละค่ะโอเคดีขอบพระคุนค่ะอาจารย์อันนี้ จิปต์จิ้มอมมบบกกเอสเอมาวแ น, น, น, นด์แบบประวัสิการกพระอาจารย์ดินแดนของคุณแมรี่คุณแมรี่มีสุขบ้างไม่สุกบ้างมันจะเป็นดินแดนแห่งความสุขนะคะพระอาจารย์พ่ะสละอาจารย์สาปนีนะคะค่<า>ะมยมก็ ใช่ค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งมากค่ะแต่แบบวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกชายเขาเขาไปอยู่หอได้อ่ากี่ ว, นนะ 8, วนันแล้วแปดก้าวันแล้วค่ะ เ, เปิดวันนี้วันแรกค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะยมรุ้นอยู่ว่าลูกจะตื่นไปเรียนทันไหมเป็นตผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชา ย, ชายชผู้ชายค่ะผู้ชายคนโตที่ไม่กลับพระอาจารย์นะคะที่ไปนั่งศนทนาะเขาก็เอาตำาํำราอ่านหนังสือของพระอาจารย์ไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้ามาวันอังคารแต่บางทีแบบเขาเริ่มเปิดเทอมแล้วเขาก็แบบ อ, อาจจะเข้าไม่ได้ใช่ค่ะยมก็เบอกว่างานฟังย้อนหลังก็นแล้วกันนะลูกอะไรเงี้ยค่ะแตายมก็เลยบอกว่าไปสร้างเฟซบุ๊กสักอันหนึ่งแล้วก็มาตามพระอาจารย์ถ้ามีคําถามหรืออะไรก็ตอบฝากแม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว แ, แม่ถามให้ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะ บ า, บางทีก็บางทีก็แบบเห็นทุกข์ของตัวเองก็รู้สึกแบบเออช่างมันเถอะบางทีก็โปง่งบางทีก็คิดแต่บางทีส่วนใหญ่ก็จะแบบโป่งๆว่าเออเดี๋ยวเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่เกิดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเดีเกิดใหม่ก็มีทุกข์อีกเป็นชาติภพหน้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเออทาอันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ่ะพระอาจารย์ไปทำ ต, ต, ตัดกิเลสได้มากตลาดยิ่งตัก ช, ชาติก็จะลดน้อยลง สาธุค่ะรอาจารย์เกิดจากการไม่กิเลสแน่ค่ะค่ะแล้วพระอาจารย์คะคนที่ได้แบบเป็นโสดาบันนี่คือเขาต้องมีสมาธิไหมคะหรือว่าต้องมีใช่ไม่มีไม่ไมไม่มีกม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไ่มีไม่มีไม่มีไม่มไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี่ากิเลมเป็่ตัวทําใหมเราทุ่มีไ่มีไม่มไม่ได้ม่มม่ีไม่มไม่มีไ เหมือนกับรัลกลูกเนี่ยห่วงลูกนี่ก็เป็นกิเลสแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ ถ, ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่รัไกไม่ห่วงปล่อยมันให้มันเป็ น, น, ป น, น, นมันต <c oughs> ายเรื่องของมันอ้าวทำได้ไหมล<ะ>่ก็ยังไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่ามันมีสมาธิไงมีสมาิใช่ค่ะอาจจะแบบอีกสักอีกสักหน่อยอ่ะค่ะแบบมันยอมเข้าใจมองตัวเองว่าถ้าแบบเซอร์เทนเอก็เรื่องอะไรถ้าถึงอายุอายุหนึ่งของลูกอาจจะแบบ แต่แม่แม่ยมก็จะบอกว่าต่อให้ลูกอายุเท่าไหร่เราก็ยังไม่หมดห่วงหรอกยมห้วงอเออเอาเป็นโซดาไปัเนาเป็นโวดาไป <c oughs> ใช่ค่ะอย่างมีน้องคนหนึ่งวันนี้มื่อ ส, สดรทิตที่ผ่านมายมไปไ ป, ไปเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมคะมีน้องคนนึงเขาอยากพยายามมีลูกมากเลยยมก็คิดในใจแบบ คนในอยากออกคนน้องอยากเขาจริงๆเลยอะบอกอน้องน่าจะดีใจที่น้องไม่มีลูกแล้วอบบ ม, มีสามีที่รักและดูแลหนุมก็แบบเยี่ยมก็แบบเออพูดอะไรก็ไม่ได้คนเราเขาอยากมีลูกก็อยากมีจริงๆนะคะค่ะเพราะอย่ามีอะไรที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวผูกใจทั้งเขาแลบทั้งสามีอยู่ด้วยกัน<ช>อันนี้ยิ่งแนละ้วล<า>ูกมันเหมือนมันเป็นตัวผูกใจทั้งคู่ไว้อะ แต่มันก็ผูกทั้งบุญและวผูกทั้งกรรมนะคะพระอาจารย์ใช่แต่เขามองไม่เห็นแม่งเขามองเห็นแต่ทางบุญทั้งทางสุขอย่างเดียวเขาเขามองไม่เห็นทางทุกข์ค่ะเพราะว่าอย่างโยมอย่ามาแล้วใช่ไหมคะก็มองรู้สึกแบบบางครั้งการที่เราไม่มีลูกอะไรที่เราตัดสินใจตัดกิเลสตัดนู่นตัดนี่มันง่ายมากเลยค่ะแต่พอมีลูกมันจะแบบกลายเป็นว่าเราก็ไปเหมือนกับต่อกรรมไปเรื่อยๆอะคะ่ะพระอาจารย์ ใช่ไหมคะโยมใช่คะ่<ม>คะโยมก็เลยไม่ไมไ่ได้พูดอะไรกับน้องเขาก็แบบเห็นใจน้องเขาก็แบบออทาทาเป็นหน้าที่ปอบก็ปอบเห็นใจให้กำลังใจก็ให้แต่ส่วนของเราเราก็แบบโอเคถ้าลูกของตัวเองอยากจะมีหลานก็แล้วแต่เลยลูกแม่ไม่แม่ไม่ออกความเห็นเลยอาวิชามองไม่เห็นทุกข์ใช่คะ่ะ <c oughs> เห็นสุขเห็นทุกข์เป็นสุขไป ใช่ค่ะแต่บางทีเด็กก็น่ารักค่ะแต่ว่าบางครั้งถ้าเราเขาแบบมีบุญเขาคิดได้แบบเด็กๆที่เข้ามาในห้องของพวกเราเนี่ยค่ะก็ดีค่ะแต่บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กของเราจะแบบมีสติปัญญาเกิดมาพร้อมสามสิบสองประการหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็มันก็ต้องไปดูอนาคตแบบของคนที่จะเกิดมาใหม่เนี้ยลุงก็แบบ แ้วน้องเขาก็อายุเยอะแล้วพอสมควรนะคะยมก็แบบเออไม่เป็นไรถ้าพยายามอยากก็แล้วแต่เลย<า>พ <อ S 2> <ค>ร้อมก็เรียนใช่ค่ะใช่ค่ะยมก็แบบเอาของเราดีกว่ากรรมเราก็เยอะอยู่แล้วมาตัดกรรมกันดีกว่าใช่ค่ะมาหยุดกรรมกันจะมาทีมันช่วยตัดกรรมได้ใช่ไหมคะได้ก็อยู่ให้เฉยเพออยู่ให้เฉยก็ไม่ได้ทํากรรม ค่ะป็นปัญหา<ช>ไม่มีสมาธิมันเลยอยู่เฉยๆไม่ได้มันเด้นไปทํานู่นทำนี่กันคิด<ช>ว่าทำมันจะมีความสุขยิ่งทํายิ่งทุกใหญ่ใช่ค่ะโยไม่เป็นสุขโยไม่เป็นสุขเลยค่ะตอนนี้แบบพยายามดิน้นพลาดจะแับบจะมีนี่สินใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบเออผ่อนไปเล้วก <laughs> แบบบางครั้งคนเราก็แบบอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากมีนั่นเหมือนแบบตัดใจมันต้องมีของมันต้องมี จริงๆไปอยู่ตามป่าตามเขามันจะง่ายกว่าเลยนะคะพระอาจารย์อยู่ตามเขาแต่เก า, ามันก็ยังอยากอยู่นั่นแหน ะ, น ะ, ะมันไม่ได้ที่สถานที่มันมที่ใจเราที่ใ จ, นะใจค่ะใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีอนะไรไปค่ะจะพยายามฟังพระอาจารย์วันนี้ก็รู้สึกว่าต้องต้องเริ่มต้องพยายามให้มากขึ้นค่ะบางทีนั่งได้น้อยก็ต้องพยายามผลักตัวเองให้ดั่งเนนานค่ ะ, ค, ะคุณเดินจนเข้วันละสามชัว่วโม ง, งทํำได้ไหม โอ้โหยังไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะเ็จะพยายามขอสามสามสิบนาทีก็ยังดีค่ะเดี๋ยวเป็นแบบน้องก็ได้สามสิบวิสาสิบวิแพ้แพ้หลานแล้วสามสิบวิขอบคุณอาจารย์ขออาจารย์ทัดกันแข็งแรงนะคะได้สาธุสาธุทคศา ะไปไดิบุณนานต่ออุดรธานีน้อง ก, การมาศการค่ะพระอาจารย์รูไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคนวันที่เป็นมอเป็นหมอภาชนะกลับมาศักการค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ไปอยู่ที่ว่าไปอยู่แค่ห้าวันค่ะห้าวันแล้วก็ไปอยู่เพิ่มเพิ ว, วันหนึ่ง ลูกชายบอกว่าอย่าไปเลยแม่มันจะน้ำท่วมพายุอะไรผมไม่เป็นไรขึ้นเขาไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าก็เจอฝนนะพระอาจารย์จะไม่มีน้ําฝ่าไหลหลากแต่กลับมาปุ๊บน้ําท่วมเลยพระอาจารย์ก็ที่ที่ไปที่ไปก็ที่เจีนพระอาจารย์อ่ะก็ไปดูใจก็คือมันก็คือสงบนะพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อท่านเจ้าว่าหลวงพ่อท่านก็ยังไม่ทันท่าน ท่านกลับไปที่โรงพยาบาลใหม่รอบไปล้างลําไส้ค่ะแล้วก็จะไปขอนแก่นคือหลวงพ่อไม่อยู่ก็จะไม่มีคนเทศค่ะท่านก็ไปช่วปขอนแก่นต่อนะคะก็คือสุขภาพโดยรวมท่านก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่ายังต้องกลับไปตรวจเช็คอยู่แต่ก็หลวงพ่อท่านที่เป็นสตอิอะโอ้ท่านเดินได้แล้วนะคะหลวงพ่อคือแบบเร็วมากเลยอะเดินคือเดินแบบยืนได้แข็งแรงแล้วก็เดินได้ค่ะก็รู้สึกแต่แต่ทําให้โยมเห็นนะคะหลวงพ่อเห็น แกเจ็บตายคือเห็นเลยคื อ, อยิ่งไม่ประมาเลยอ่ายิ่งแกมันยิ่งเจอบ่อยเพิ่มมากขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยยัง ม, มีมากขึ้นบ่อยขึ้นแต่ก็แต่ว่าตายก็นี่งอ่ะพระอาจารยเพราะมันก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเดี๋ยวเราก็เป็นเหมือนกันคือทุกคนมันก็มีวาละของตัวเองค่ะคือเข้าใจอย่างนีอาจารย์แล้วก็ไม่ได้กลับก็คือว่าไปถึงปุ๊บก็ถึงแม่หลุงพ่อไม่อยู่ก็อยู่ต่อพ่ะอาจารย์ ก็ก็มีคนนำสวดมนเนี่ย่ะแล้วก็นั่งสมาธิก็ยืดขึ้นก็คือหมายถึงเป็นสมชั่วโมงกลางคืนก็นั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มตอนเช้าโยมก็ตื่นตีสามเหมือนเดิมแล้วก็นั่งถึงห้าตีห้าแล้วก็ไปช่วยทำครัวแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดทั้งวันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าฝนตกนักเดินเดินในบ้าเดี๋ยวพรุ่งน่าจะเอาเสื้อฝนไปเดินในป่าเพราะว่ามันมีป่าที่แบบน้าเดินมากเดี๋ยวพอฝนตกบางทีมันมันจะแบบว่ามีลื่นลื่นเนี่ยของเขาก็ว่าจะเอาเสื้อกันฝนไปแล้วก็ อย่างหนึ่งนะคะหลวงพ่อคือคือคราที่แล้วว่าที่หลวงพ่อถามมาประมาณห้าปีเข้ามาห้าปีค่ะหลวงพ่อไม่ใช่หปีโยมตกเลขเข้ามาตอนโควิดประมาณเดือนพฤศจิกายนนับถึงเดือนนี้ก็ประมาณประมาณแต่ห้าปีเข้าปีที่ห้าค่ะจําได้เพราะว่าไปเขาทีโอนเนี่ยตอนนั้นนี่แบบไม่มีคนไปเลยไปคนเดียวเป็นป่าแบบไม่เห็นอะไรเลยมีแต่บ้านหลังเดียวเลยกัตอนนั้นดีมากๆเลยหลวงพ่ออ่ะก็แต่ห้าปีที่ผ่านมาก็ได้ทาตามหลวงพ่อบอกก็คือแบบมันดีขึ้น เ, เรื่อยๆก็สงบ แค่เดียวก็โอเคอยากเดินที่น่าใหมใหม่ทางหลพอขอบพระคุณไปได้คุณนิสาต่ออยู่ที่อะไรยังอยู่เอเบยันเนนอยู่ป่ะจัดนวัตกรรค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ค่ะพระอาจารย์อันอาทิตย์หน้าบินค่ะบินได้เหรอค่ะอันนี้ก็อาทิตย์หน้าวันนังคารบินวันคืนวันนังข้าววันคืนวันนังคารก็ถึงวันพฤหัสค่ะพระอาจารย์บินต้องเลยนะ ไม่ตรงค่ะสอกค่ะอาจารย์ไม่บินตรงตอนนี้ยังไม่มีไม่มีนะทำไมแวะที่ไหนที่ญี่ปุ่นนะอ๋อออลูกบินของคาเท่ค่ะไปแวะฮ่องกงค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงไม่ได้เข้าค่ะแล้วก็คงเจอพระอาจารย์สิ้นอาทิตย์ไม่แน่ใจอะนักพุทธยังไม่แน่แล้วแต่ก็นอนค่ะพระอาจารย์ก็ถึงเมืองไทยก็ อาจจะไปหาพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่สัญญาค่ะพระอาจารย์อยามาอธิษฐานไหมครับ<า>อธิบายถดถอมาแต่ยังไงก็จะเข้าห้องซูมค่ะพระอาจารย์อ่ดีคะก็ลูกก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ก็เตรียมทุกอย่างเรียบรพยายามรักษาใจไว้ล้อยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทําอะไรใจเราต้องเน่ง น, นะค่ะอาจารย์ก็พยายามจะรักษาใจแล้วก็ ถือหลักมักน้อยสันโดษค่ะอาจารย์ก็จะเป็นไม่นักช่งกลัวลงอค่ะอ า, าจารย์น้องนำปฏิบัติค่ะอาจารย์ก็จะไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติค่ะอาจารย์อาจารย์ทางด้านสวัสดิภาพนะค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอให้ อ, อาจารย์อาจารย์แขแ็งแรงค่ะอ่าอ่าคุณจันนี่แมงก็อ่าทีท่แล้วคุณแม่ประกาศชื่อให้ฟังด้วยแล้วตอนนี้งงงี้ ชื่อสันนิบาลเขาแต่หน้าตาไม่เหมือนกันคุณแม่นำเสนอคะ่ะกลัวกลัวพระอาจารย์ไม่ทราบคะ่ะรีบรีบบอกให้อพอดีว่าวัน อ, อีกวันหนึ่งเป็นวันเกิดคะ่ะก็เลยวันเกิดหนูคะ่ะก็เลยไปไปถวายพระตาหารเช้ า, ากับคุณแม่คะ่ะแล้วก็ค่ะ แล้วก็วันเ อ, อวันนี้มีอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะ อ, อตอนที่ที่ในวิสาชนาธรรมกับคุณหมอเวียะคะ่ะพระอาจารย์เคยพูดว่า อ, อมีความรู้แต่ไม่มีผู้รู้มีความคิดแต่ไม่มีผู้คิดอยากใหพ้พระอาจารย์อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็มันเป็น work อะไ ม, มันไม่ใช่เป็น now เข้าใจไม ภาษาภาษาจิตเนี่ยคำว่าเวิรกับแนวมันไม่มันไม่ใช่แนวมันเป็นเป็นเวมันเป็นการกระทําเป็นการรู้การคิดการอะไรแต่ไม่มีผู้กระทําไม่มีผู้รู้ผู้คิดแต่เราเข้าใจผิดไปเองใช่ไมัะเราเราไปสมมติว่ามันมีเป็นผู้รู้เป็นเราเรารู้เราคิดเนี่ยอันนี้มันอันนี้เป็นอวิชาเป็นโมหะ ความจริงมันไม่มีเราคิดเรารู้มันมีแต่รู้ไม่แต่คิดเหมือนฝนตกเนี้ยมีมีมีมีคนทําให้มันฝนต ก, กว่าไม่มีมนะมันก็ตกไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันตกแดดออกลมพัดอย่างเงี้ยมีมีกิริยาแต่ไม่มีผู้ผู้กระทำอะไรนะไม่มีแาวมีแต่เวิร์อ่ะกิริยาก็คือเวิร์กอ่ย running sitting อะไรแต่ nobody nobody run nobody sit ไม่มีใครเดินไม่มีใครวิ่งมีแต่การวิ่งมีแต่การนั่งเนร่างกายเราวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไม่มีไม่มีใครไม่มีใครไม่มีตัวตนที่วิ่งเอาร่างกายมันมีความคิดที่บอกให้มันวิ่งมันก็วิ่งความคิดบอกให้มันนั่งมันก็นั่ง แต่ไม่มีไม่มีคนมาสั่งมันให้ให้มันคิดให้มันนั่งให้มันเดินให้มันทําอะไรตัวตนไม่มีตัวตนนี้มาสั่งไม่มีมันไม่เหมแต่ตัวคิดมีอยู่เข้าใจยังยังไม่เข้าใจเหมือนเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังอยู่น่าจะสุดตม่มายาปัญญาค่ะอาจารย์ต้องทา <พอ S 1> ยังไงจิตต้องภาวนาเขาสมาธิเข้าสมาธิจนจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดอะไรแล้วก็จะ ก็อย่าเห็นว่าทุกอย่างหายไปหมดอ่ะพระอาจารย์แล้วแต่รู้อย่างเดียวแล้วทายังไงถึงวางปล่อยวางตัวที่คิดว่าเป็นผู้รู้ผู้คิดได้ค่แม่นม่ต้องว้ปล่อยมันนนไอตัวนี้มันไม่เป็นปัญหามันก็ตัวมันเองไปป่อยตัวมันเองได้ไง ต้องไปปล่อยให้ตัวที่มันไม่ใช่ตัวมันแล้วมันไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวมันเนี่ยร่างกายเนี่ยไปปล่อยร่างกายไปปล่อยขนห้าเนี่ยที่มันไปคิดว่ามันเป็นตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวรู้ไปปล่อยมันไม่ได้หรอกเพราะตัวรู้มันปล่อยตัวมันเองไม่ได้แผลปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนเนี่ยยังยังว่าจะร่างกายเลยปล่อยเงินท้องให้ได้ก่อนเถอ ปล่อยทรั บ, บัติเข้าของเงินทองให้ได้ก่อนของนอกกายปล่อยให้ได้ก่อนเราไปอย่าไปคิดว่าเป็นเราของเรามันเห็นชัดๆอยวไม่ใช่เป็นของเราเท่าหน่อยตายไปมีใคราไปได้ไหมทั้งคนทั้งบ่ายมีใครเอาไปได้ไ <c oughs> บา้ า, ไไาแต่ก็ยั ย, ยึดยังติด ก, กันอยู่นะั่นยังยังหลงว่าเป็นของฉันของเราอยูนะ่ปล่อยของภายนอกให้ได้ก่อนปล่อยลาบยศสรรเสริญปล่อยทรัพย์สมบัติเ ข, ข้าของเงินทอง แล้วค่อยมาปล่อยร่างกายแล้วก็มาปล่อยเวทนาแล้วค่อยมาปล่อยอารมณ์นี่อยู่ในจิตนะพอปล่อยหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้เฉยๆไม่ยึดไม่ติดแก่อะไรไม่ต้องไปปล่อยตัวรู้แล้วปล่อยไม่ได้ตัวรู้แต่ตอนนี้เราก็ยังเราก็ยังมีความคิดว่าเราคือผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้ไปก่อนก็ยึด ร, รู้รู้แบบนี้ไปก่อนได้ไใช่ไหม หรือว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองของเรานี้ไม่ใช่ของของเราเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นสมบัติชั่วคราวมีเงินมีทองตี่ร้อยล้านพันล้านตายไปก็เาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวมีลูกมีสาไมีมากกี่คอยง้าไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวอืให้ดูอย่างนี้ก่อนอของมุ่งนี้ที่เรามาครอบครองว่าเป็นของเรานี้มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างอย่างถาวร สิ่งของชั่วของชั่วข่าวต้องพร้อมที่จะให้มันอยากเราไปแล้อเราต้องพร้อมที่จะจากมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่พร้อมเราอย่างยืดยังติดยังไม่อยากเขาจากเรานะยังไม่อยากจะจากเขาเราก็จะทุกข์เวลาที่เราต้องจากกันบางคนจากกันแล้วยังนั่งยังร้องนั่งร้อ ง, งห่มร้องไห้ตายไปหลายวันแล้วเนั่งคิดถึงเขาอยู่างนี้อย่างให้เขากลับมา ทั้งที่เห็นชัว่าก็ไม่กลับมาแล้วแต่ใจมันก็ยังอดที่จะอยากให้เขากลับมาไม่ได้อยากจะอยู่กับเขาต่อไปเพราะไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวางเลยของพวกนี้เนี่ยต้องสอนอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ไเจ้าสอนให้เราพิจารณาเราต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์จะนำนําไปปฏิบัติค่ะอย่ยงแม่เราเนี่ยทุกวันก็ต้องจากกันไหม ใช่ค่ะปฏิบัติได้ไหมคิดว่ายังอันนี้ก็ยังปล่อยได้ไม่หมดค่ะพระอาจารย์น่าจะยังเศร้าอยู่เศใช่ใช่เศร้าก็ทำไงได้หรือเปล่าเศร้าแล้วทำอะไรมาได้บ้างไม่ได้ค่ะถ้าไม่เศร้าทำไมก็ยังพยายามฝึกอยู่ค่ะพระอาจารย์พยายามคิดบ่อยๆแล้วก็พยายามฝึก ฝึกปล่อยวางฝึกเอ่อสมฝึกเจอสตินั่งสมาธิเอ่อถ้ามีสมาธิแล้วจะปล่อยง่ายขึ้นใจจะเฉยได้แต่ก็ยากมันยังรักยูยังยังงัดยังหวงยังห่วงอยู่หนูก็เหลือแค่แม่คนเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ยังยังหนูว่าหนูยังติดอยู่นั่งนั้นก็ไม่มีแล้วอ่ามันติดตัวหนูเว้ยใช่ค่ะใช่ มีตัวเองกับแม่ร่างกายหนูยังติดอยู่ไหมยังหวง่งหวงไหมฮะยังห่วงหร่างกายไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เออไม่ยังยังติดกับพวกเวทนาอะไรมากกว่าค่ะพระอาจารย์ไม่ติดกับความตายยินดีให้มันตายนะหนูหนูคิดว่าไม่ไม่กลัวค่ะ แต่ว่ายังไม่รู้ว่าของจริงยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะก็คิดว่าไม่ไม่ไม่กลัวตายค่ะอ่าดีได้ก็ดีเ้าหมายคือต้องไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวมาเร่งไม่กลัวโรคร้ายต่างๆต่างมาก็อย่ายินดีต้อนรับมันค่ะพูลองมาตั้งแต่กูเกิดถึงเวลาที่มึงจะมาใช่ค่ะพอาจารย์ แล้วก็ตอนนี้เออก็ก็รู้สึกว่าอยู่กับแต่รู้สึกว่าอยู่กับเวทนาได้ดีดีขึ้นนานขึ้นกว่าเก่าค่ะแต่ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนไม่ชอบยังมีความรู้สึกที่แบบไม่ชอบหน้าเขาอยู่อะค่ะหันชอบมันเลยหันชอบมันใช่เหมือนคนที่ไม่ไม่ชอบกินพทิกเนี่ยแต่กินบ่อยๆเขาเดี๋ยวมันก็ชอบขึ้นมาเองพอเลยต้องกินต่มันบ่อยๆเขามันมันงอมชินกับมัน มันตอนก็ไม่ชอบมันแต่พอกินบ่อยๆเข้ามัเดี๋ยวมันก็ชอบมันเองแต่ไม่ไม่กลัวเขาแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่กับเขาไม่ได้ไม่ชอบต้องต้องนั่งเขาบ่อยๆแต่ก่อนแต่ก่อนคือไม่กลัวไม่กลัวแต่ไม่นั่งแสดงว่าเราเองมันก็ยังกลัวมันอยู่ยังไม่อยางจะเจอมันอยู่ต้องต้องต้องนเพราะมันทุกวันทุกวันจะต้องนั่งให้มันเจ็บให้มันเจอมันทุกวันนั่งไปทุกวันจะทำใถ้ามันชินกับมันเลย อ่าแบงค์ก็มันก็จะไม่กดแต่ว่าหนูอ่ะนั่งนั่งแล้วเจ็บทุกวันค่ะเพราะว่าสติหนูไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นั่งแล้วเออเหมือนเข้าสมาธิไม่ค่อยได้ก็โดยมากจะต้องเผชิญกับเวทนาเนี่ยแหละค่ะเป็นเพื่อนเลยค่ะทุกวันเลยก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าต้องอยู่กับมันให้ได้มันมันดินฟ้ากาบเราห้ามันไม่ได้เนะมันจะมาก็ต้องอยู่กับมันไป มันตองแน่นออกแล้วก็ต้องอยู่มันไปค่ะพระอาจารย์จะพยายามฝึกปฏิบัติทุกวันค่ะอืมทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะชินกับมันแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆไม่ต่อต้านมันพรไม่ต่อต้านมันใจเราก็เย็นใจเราก็สบายค่ะพระอาจารย์มไม่มีคำถามอื่นแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าสาธุ คุณนาคุณสาธารทางชายนาดปันนี้น้ำจะท่วหรอือเปล่าชายนานเ อ, อน้ำเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์เริ่มเริ่มลงมาแล้วนะอ่าใช่ค่ะเยอะครับค่ะ ม, มาฟังธรรมท้าประการปฏิบัติค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่คณลูกตาลต่อชนบุรีลูกตาลคุณแม่เป็นยังไงนวสัส ก, การนมัส ก, การการพิธีการเ อ, อมีการพัฒนาไหม มีการก้าวหน้าไหการปฏิบัติปฏิบัติทุกวันค่ะนั่งสมาธิทุกวันค่ะแล้วก็อ่กินอาหารมื้อเดียวค่ะยังยังทำอะไจ้ะกินทั้งคู่ทุกวันเลยเนี่ยทุกวันค่ะทั้งคู่เลยเฉพาะคุณแม่เองเดียวเล่นลูกตาคนเดียว<ด>เอิมทำทุกวันคุณแม่ก็ได้สามวันละค่ะอนี่ยเล่นลูกตาแขนะ่กินได้ทุกวันแมื้อได้เนี่ยก็ ก็ก็คือคิดว่าถ้าถ้าต้องละกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็เรื่องกินไันก็เรื่องที่แบบมันจับต้องได้มากที่สุดอะค่ะอาจารย์ตอนก็ก็กินไงดีไหมกินมันกมือนี่ตอนตอนแรกมันก็หิวค่ะแต่ตอนตอนหลังมันก็มันก็รู้สึกดีชินมนะค่ะเออทำอะไรไปบ่อยๆมันก็จะชินกับมันเองค่ะ ถ้ากินเยอะแล้วมานั่งสมาธิไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ใช่มันจะสับปะงนะจะขี้เกียจ้าไม่อยากจะนั่งค่ะมันมันก็มีมีเมื่อวันวันเสาร์ที่ต้องแบบไปงานเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็มีแบบ ม, มีหลุดไปบ้างวันหนึ่งแต่ถ้าใช้ชีวิตปกติเนี้ยก็ก็กินมื้อเดียวอืมเดียว อตอนนี้ก็รู้เป็นอูนะนเขาเรียกว่าตั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงไหวจริงติ๊บกันโอ <Okay, S 2> <laughs> เคเลยเข้ามาเราก็เห็นปรากฏโอเคเยอะนะจริงใจกัม嘛อันนี้ผีนะ <laughs> <laughs> มันมันก็มีคำว่าอาจารย์ในช่วงไหนที่สติมันอ่อนลงอะมันก็รู้สึกแบบ หงุดหงิดนี่ทําไมมันทําไม่ได้นะอะไรนะงี้แล้วทําไมเราไม่ก้าวหน้าขึ้นเมันก็มีเผลอมาัางเหมือนกันนะคระับเ น, นื่องสเสด็จกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธจะรู้สึกเลยเขาว่าความผุ้งสัน้นอะไรมันจะเข้ามาอเพราะมไม่มีสเสด็จกิเลสมันก็ออกมาเพ่นพานนะมันเก่งจริงเลยคะ่ะดี่ปฏิบัติไปแล้วจะรู้จักหน้ากิเลส ม, มากขึ้นไหม เวลาเราเวลาธรรมะของเราอ่อนเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะโดมตีเราทันทีเังนั้นต้องรักษาสติกับปัญญาสองตัวไว้ให้รักษาใจมีสติมีปัญญารักษาใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าห่างพระอาจารย์ความเพียรมันก็จะย่อหย่อนลงด้วยเหรอคะอืูบา <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ไม่ได้ ด, ดีอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จะได้มีเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ โอเคจะขึ้นเขาอีกเมื่อไหร่ยังยังไม่ได้จองเลยค่ะไม่จองเองค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีมมแร้วพระบาร์ตาต่อไปปฏิบัติไปเรืนะ่อยๆนะอ่าคุณแา น, น, นต์ต่ออันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้อยู่ Boston, บอสตันเจ้าค่ะอ๋ออยู่บอสตันนัชัชเชสเยไม่ถึงนั่นเล ย, เลย ใช่ค่ะไม่ได้มาเป็นปีแล้วแอบดีใจชอบเมืองนี้เมืองของในปวงในหลงลอกกาท่านเคยมาอยู่วินตรงเลยเลยหรือว่าใช่จะผ่าจากโตเกียวเลยตรงจากโตเกียวเลยค่ะจากนาดีตะหายชั่วะอ่าสิบสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเจ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับก็จะจะนานกว่าเป็นประมาณสิบสี่ชั่วโมงค่ะทวนลงเนี่ยทวนลงค่ะ อืมีวันนี้ตื่นเช้ามามานั่งฟังเข้าร่วมนั่งฟังธรรมะกับทุกคนเจ้าค่ะวันหยุดก็ไม่ได้มีโอกาสไปเดินเล่นไปเดินเที่ยวที่ไหนนะพักผ่อนพอถึงเวลาขึ้นเครื่องใช่เจ้าค่ะแต่ว่าได้ได้นอนสองคืนเจ้าค่ะถ้ามาบินไกลอย่างนี้เขาจะให้นอนสองคืนเพราะว่าถ้าถ้ามาแล้วกลับเลยไม่ไหวเจ้าค่ะอาจจะอาจจะตายกลางทางก็เลยแบบว่าเขาเลยให้พักผ่อนเต็มที่หน่อย ก็เดี๋ยวเอาไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนเจ้ค่ะแล้วก็เอ่อเหมือนได้หยุดเต็มวันนะคะหนึ่งวันมีมีมีครูทั้งหมดเท่านลูกเรือเหรอคะอ่าลูกเรือมีเอ่อของไฟล์หนูมีมีสิบคนค่ะทั้งชุดเลยทั้งกับตันทั้งไครหมดเยกับตันลงกับดันด้วยก็เป็นสิบสองค่ะสิบสองเขาใช้มินิมอลครูอะค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนสายการบินอื่นก็คือใช้งานใช้งานก็คือทำงานเต็มที่เพราะว่า เหมือนเหมือนประหยัดเวลาหยุดก็หยุดพร้อมืันเลยทั้งทั้งชุดเลยเป็นทั้งชุดเลย่ถ้าถ้ามาแบบบอสตันนาริตะเนี้ยคะ่ะก็คือจะเป็นลูกเรือชุดเดียวกันอืมค่ะมาด้วยกันกลับด้วยกันเจ้าค่ะอืม <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าสายท่านอาจจะเปลี่ยนแต่เพราะพนัก ง, งานบริการแต่ <c oughs> <ใช>แต่ะถ้างอาจจะไม่เปลี่ยน อ่า ม, ม, มันมันมันมีมันมีกฎนะคะบางทีหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่อย่างถ้าบางไฟล์นี้ค่ะก็จะมีลูกเรืออาจจะกับชุดเดียวกันแต่กับตันอาจจะได้นอนมากกว่าเพราะว่าเขาจ ะ, ะจะมีเรื่องของใช่ค่ะความพักผ่อนเขาต้องใช้ต้องพักผ่อนเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความการใช้สมาธิใช้ความิดใช้สมองนะ ค, ะ, คะก็เลยต้องให้หยุดนานกว่าค่ะ แต่ว่าโดยรวมแล้วอย่างอย่างนี้ได้หยุดสองคืนก็ถือว่าเพียงพอก็คือกลับพ้องกันค่ะค่ะเห็นช่วงสองคืนนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็ได้ใกล้ๆเราอยากจะไปใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้ไปแล้วค่ะหลวงพ่อก็บินมายี่สิบกว่าปีแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเป็นเป็นเป็นไฟล์ใหม่ๆอย่างค่ะอย่างบอสตันหนูได้บินมาหลายรอบแล้วก็จะแค่ไปครั้งแรกๆอะคะ่ะเข้าเมืองไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเขามีมีเดิน เดินตามรอยของของในหลวงะคะง่ะหลวงก็ในหลวงท่านเคยมามาพำนักอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะที่ในในโรงพยบาบาลใช่ค่ะหนูก็เคยเคยเข้าไปในในเมืองแล้วก็เขาจะมีเหมือนอนุสรสถานแล้วก็มีป้ายเขียนเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านนะคะก็ไปเดินตามตามรอยอะไรเนี้ยค่ะไปโรงพยาบาลไปตามอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านพักที่สมเด็จย่าท่านเคยพักอาศัยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ไปไปเดินเล่นมาแล้วแต่ก็ไปแค่ครั้งสองครั้งค่ะพอพอบินบ่อยๆแล้วก็ก็เหมือนกับเอาเหมือนเอาเวลามาแก้มาพักผ่อนแล้วก็ออกไปซื้อของกินแล้วก็กลับมานอนเนี่ยค่ะไม่ได้เที่ยวแล้วค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ค่ะแค่แค่ว่าได้นอนพักผ่อนได้ได้ออกไปซื้อของกินก็ก็จบแล้วค่ะเหนื่อยค่ะแต่เดี๋ยววันนี้ได้หยุดทั้งวันก็เดี๋ยวตอนนี้ เพิ่งจะเช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูก็รีบออกไปซื้อของกินแล้วก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะพยายามมาปฏิบัติดีกว่าตอนนี้อา้าวเดินทางวันนี้เลยวันพรุ่งเช้าพรุ่งนี้ค่ะหนูเพิ่ง ม, มาถึงเมื่อวานเนี่ยค่ะวันนี้ได้หยุดได้หยุดเต็มวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าสายๆก็ออกเดินทางกลับกลับนาลิตาค่ะในภาคสองคืนค่ะไตรมาลยาวอะคะ่ะเขาเขามันเหนื่อย ถ้าถ้าให้บินแค่ให้ให้มาพักแค่24ิบสี่ชั่วโมงแล้วกลับเลยมันลูกเรือจะจะแย่ค่ะหลวงพ่อมไม่ไม่ไหว<ะ>ไ ม, ไมันเกินไฟทามันเกินสิบสองชั่วโมงอะคะ่ะก็เลยต้องพักเยอะหน่อยนี่ก็ขอให้พักเยอะๆนะค่ะเดี๋ยวจะกลับมานั่งสมาธิค่ะหลวงพอ่อโอเคมีอะงไรง ไม่มีเจ oh um. yeah. uh ้าค่ะจะพยายามปฏิบัติเรื่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคครัขอบคุณเจ้าค่ะอ่าคุณจะเล่นทอนต่อเล่นทอนอี้อยู่ที่แมรีแลนด์นะกลับไปที่แมรีแลนด์น้องอาจารย์สวัสดีคระอาจารย์เจ้าค่ะสวดีโทรศัพท์มันหล่นค่ะอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะหนูสบายดีหนูหนูก็นั่งพิจารณาเมื่อกี้ที่อาจารย์คุยกับท่านอื่นๆนะคะหนูก็รู้สึกว่า ตัวเองกิเลสลดลงอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความโลภลดลงน่าจะเป็นผลมาจากฟังธรรมฝังธรรมด้วยสมัติบัติด้วยมีอำนาจมีอุเบกขามากขึ้นมันความอยากมันน้อยลงพระอาจารย์คะแล้วมันคือเหมือนกับมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วหรือปล่าคะโดยที่เราก็ไม่ได้กําหนดใดๆแต่เหมือนกับว่ามันก็ค่อยเป็นผลจากการปฏิบัติไงมันค่อยๆสะสมขึ้นมางั้นูต้นไม้อ่ะมันก็ค่อยๆจะริ่มเติบโตขึ้นมา เพระหนูรู้สึกว่าเหมือนเวลามันมีเหตุการณ์อะไรซึ่งมันน่าจะกระตุ้นความโลภของเราแต่เราก็เลือกที่จะไม่ทําอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายค่ะ เ, <ร>เราเลือกแล้วโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเราเลือกอย่างนั้ น, นมันเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งเหตุการณ์เหมือนเหมือนบททดสอบความเป็นจริงมันผ่านไปแล้วแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเรากลับรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเราไม่ต้องการอะไรเลยทําไมมีข้อเสนอ อันนั้นอันนี้เข้ามาหาเราแล้วก็ให้เราโดยตรงเลยแต่เราก็เลือกที่จะไม่รับแล้วก็ให้คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะใจมันอิ่มเลยใจมันอิ่มมันไม่ไมไมหิวพอมาพิจารณาดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยข้อเสนอนั้นก็ดีมากๆเลยนะทำไมเราไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายหลายกรณีก็เลยมาเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเราพอละเราเราเกือบแลวเราปฏิบัติได้ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นละค่ะ ก็มามาเอะใจตัวเองว่าเออเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็เอาของทุกอย่างที่แม้แต่จะได้มาก็ก็ก็คือไม่เอ า, าอ่ะค่ะว่างลักทิ้งมันก็จะเบื่อมากขึ้นไม่มันจะไม่หิวมากมันจะลดน้อยไปเรื่อยความหิวคําอยากต่างๆค่ะพระอาจารย์ค่ะยิ่งเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นเห็นายรัก ม, มันยิ่งมันจะไม่อยากได้อะไรใช่เลยค่ะพระอาจารย์ใช่เลยค่ะก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการ ตรงนั้นเราก็เลยวางค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามากลับพระอาจารย์ค่ะอย่าสาธุขอบคุณนะคะพระอาจารย์พยายามลดกิเลสให้น้อยลงไปเรื่อยๆนะอ่าหนูก็ดีใจมากเลยพอมองย้อนกลับไปอา้าวเราไม่ได้ต้องการเลยนะมันก็จริงๆมันถ้าคิดเป็นราคาค้างงวดก็เยอะอยู่แต่เราไม่ได้เอาอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากมาค่ะโอเคไปได้คุณตายต่อคุณตาย เป็งว น, นี้ทำงานหรือเปล่าน้องกลับนมั ส, ส ก, การคะ่ะพระอาจารย์ทําทุกวันเลยคะ่ะพระอาจารย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ่วันอาที่เขาเป็นเป็นธรรมเนียมเป็นกฎรร เ, นเป็นไงที่ต้องหยุดวันวันอาทิตย์ก็เขาทําตั้งแต่รุ่นอากงอามาแล้วว่าค่ะเดี๋ยวหยุ้องม่าเดี๋ยวอากงอมากว่าเราขีา้เกียจอ่าไม่ไม่ถึงมันไม่ใช่เป็นของทางทางการสั่งมาให้หยุดใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะอเราหยุดกันเองค่ะ แตนละขายของพวกนี้เขาก็จะหยุดวันอาทิตย์กันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะก็ประมาณว่าถ้าถ้าสมัยก่อนตอนที่หนูเป็นหนี้อะค่ะพระอาจารย์เราหยุดไม่ค่อยได้ดอกเบีย้ยมันเดินตลอดเราก็เลยต้องหาเงินแต่ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามันก็ถ้าเราจะหยุดเราก็กลัวลูกค้าที่เขายังทำงานอยู่หาของไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องทำ แต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเบาเบาลงแล้วค่ะเพราะว่าลูกใกล้จะกลับมาละถ้าลูกใกล้กลับมาเราก็บริหารงานช่วยนิดๆหน่อยๆก็พอมีเวลาและค่ะพระอาจารย์อรอเขาหน่อย <laughs> ต้องตต้อ ง, ง, งรอเขาเพราะว่าเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงเขามีบวงค่ะพระอาจารย์ทําขึ้นมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเขานิดหน่อยนีทําให้เขาได้ต่อยอดได้ ใช่ค่ะแต่พอเขาแต่งงานหนูก็พยายามประคมงเขาบอกว่าอย่ามีลูกนะอย่ามีลูกแค่มีลูกแล้วมันจะเหนื่อยเหมือนแม่นี่แหละหยุดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีก็ได้มันแต่งงานมันก็ต้องมีลูกต่อนอกจากมันมีอุปสรรคเขบอกว่าเลี้ยงลูกแมวลูกหมาไปก่อนก็ยังไม่มีเลยตอนเนี้ยแต่ว่าพอถ้านานไปแต่หนูก็คอยบอกเขาว่าค่ะว่า มันเหนื่อยจริงๆถ้ามีลูกถ้ายิ่งเรามีความรับผิดชอบอ่ะมันจะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากก็ไม่รู้นะคะพระอาจารย์แต่ยมยมก็ห่วงเขาอ่ะแต่ตอนนี้ก็ทำความฝันเกือบสำเร็จแล้วคะ่ะอืมแต่ก็สำหรับตัวเองก็ยังยังยังทำอยู่ก็ยังอยู่ในศีลในธรรมอยู่ก็ ป, ปรบมือเพืก็ ถ้าประเมินตัวเองก็ถือว่าในเกณฑ์ดีอะค่ะพระอาจารย์ทำไมไ ม, ไม่ถึงกับเหลวไหลก็ดีดีขึ้นตอนนี้กินมื้อเดียวแต่มันไม่เป็นเวลานะพระอาจารย์แต่โยมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรแต่เราก็จต้องคงทนว่าเราจะต้องกินมื้อเดียวอ<ม>ให้ให้รอดดีนะคะอ<ม>แตแ่อย่างอย่างกินสามโมงเย็นยังได้นะพะอาจารย์ไม่ได้มีเวลากินซูท เขาหมายก็คือกินน้อยมากน้อยใช่ค่ะเดี๋ยวก็คิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าสิบเอ็ดโมงลูกน้องก็ผัดกันทานข้าวกว่าจะมาถึงยมก็นู่นละค่ะบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายส่มได้แต่สะดวกเราเราจะไม่ถือแบบที่เขาถือกันเพราะว่าเราไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกันเรากินมื้อเดียวเหมือนกันจะกินตอนเช้าแล้วกินตอนกลางวันแล้วกินตอนเย็นมันก็มื้อเดียวเหมือนกัน ตอนนี้ถึงไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากแต่ก็พยายามรักษาให้ตัวเองอยู่ในอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามันหลุดไปคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตโยมก็พยายามดึงตัวเองให้มาอยู่กับปัจจุบันอันนี้นคือการแสดงว่ามีสติแล้วไงถ้ารู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงค่ะก็บแบบเวลานึกวันนี้แบบกาลัง แปลงฟันอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แปลงฟันเดี๋ยวพอนึกไปนู่นเดี๋ยวเช้านี้จะต้องไปทำนู่ น, นโดยว่าจะพยายามดึงกลับมาที่การแปลงฟันแล้วก็ดูร่กายตอนทําทําแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์เริ่มเริ่มเห็นเห็นสติแล้วเป็นยังไงนะสติก็คือดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันนี่ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิบ้างถ้ามีเวลาอย่างเมื่อคืนยมนอนที่ยมนอนที่ทํางานฝั่งโน้นไม่ได้กลับบ้าน ก็มันเหนื่อยก็เลยว่าเออนอนนอนค้างตรงนูน้นแต่มันเงียบดีพ่อจันดีมากๆเลยกลางคืนมันเงียบเช้าขึ้นมาตื่นมาเราไม่มีพาร่าในการทํากับข้าวทํากับข้าวส่งให้แม่ <c oughs> ก็เลยก็เลยมีเวลาเยอะก็นั่งก่อนทํางานก็นั่งได้สองสองยกพ่อจันก็ถือว่าเอยดีดีจังเลยอนะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปจะกลับไปนอนใหม่ รู้สึกว่ามันมีมันมีแบบมันมีเวลาสถานที่สบายอ่ะใช่ค่ะอาจารมันเงียบมากเลยกลาคืนแล้วมันไม่พุกงพานเหมือนตรงนี้ตรงนี้เรายังมีแบบตื่นเช้าขึ้นมาต้องทํากับข้าวส่งทุกคนดูทุกคนก่อนแล้วเราถึงค่อยไปทํางานแต่อันนี้พอมีลูกสบายมาอยู่ด้วยเขาว่าเออไม่เป็นไรเขาทําแทนแล้วได้เราก็เลยหมดห่วงตรงในบ้านนี้ก็เลยมื่อคืลองนอนที่โน่นโอ้ยนอนแล้วติดใจรู้สึกว่ามันเงียบมาก เช้าเช้ามาก็ตื่นตีใช่ค่ะพอาจารย์ตื่นตีห้าเหมือนเดิมตื่นตีห้าเหมือนเดิมก็อาบน้ําเสร็จก็นั่งสมาธิเลยมานั่งสมาธิเสร็จก็เลยเดินออกไปเสร็จก็ประมาณหกโมงกว่าก็เดินไปกินกาแฟต้มน้ําเปิดเปิดประตูหลังบ้านก็เสร็จแล้วกินกาแฟเสร็จก็เลยเอ๊ะมันยังไม่ถึงเวลาก็เลยมานั่งอีกภาคหนึ่งก็ใกล้เวลาเปิดฟังฟังเทพพระอาจารย์ไปด้วยพระอาจารย์ ออืเพยายามอยู่ค่ะยังว่าไปไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่จะไม่ก้าวหน้ามากมาแต่ยอมก็ดีใจที่ตัวเองได้ทํำนะคะพระอาจารย์อย่างน้อยดูว่าใจเรามับางทีไม่อยู่กับอยู่ในงานที่เราทําก็แสดงว่าเริ่มไมมีสติแล้วน้ำเห็นนะค่ะพระอาจารย์จะพยายามทํำค่ะแปลงฟันนะมันไม่อยู่อาการแปลงฟันก็แสดงว่าเริ่มรู้ว่าไม่มีสติแล้วค่ะ ันจากอาจารย์พยายามให้มีสตยอยู่การทํางานของร่างกายไปเรื่อยๆเพ้ามันดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ก็มีรยายงานเท่านี้นค่ะพระอาจารย์ต่างขอให้เป็นคาสาธุคาอ่าคนแป ล, แปลปว่าอะไรตราว่าอะไรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็จะมา เล่าถึงเรื่องที่หนูต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทําตามคําสั่งของผู้บริหารเหนือเจ้าของอะคะ่ะด้วยความที่อยู่ฝ่ายบุคคลถ้ามีคําสั่งเช่นไม่ชอบคนนี้เราให้ปลดคนนี้ทาง้านที่ก็ไม่ได้มีความผิดหลายแหล่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นการทํางานที่แบบไม่ชอบใจไม่ได้ตามไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งซึ่งเมื่อก่อนหนูเองก็ลําบากใจนะแต่หนู ที่หนูเรียนมาหนูก็พยายามใช้หลักพมวิหารสีะคะ่ค่ะในการทำหรือพูดให้มันระมุ่นระม่อมให้มันเป็นเหตุกับผลแต่ตรงไปตรงมาทุกๆครั้งอะ่ะไอ้เคสที่ต้องปลดพนักงานมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีทีเนี้ยหนูมีความคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นบาปหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาระของเขาอะ่ะคือเขาต้องดูแลครอบครัว กี่คนดูแลใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขามีความกังวลอะไรมันมันก็เลยเป็นความความกังวลใจนิดหน่อยที่หนูนึกขึ้นมาว่าเออมันจะเป็นบาปหรือเปล่านะคะก็อย่างนั้นมันก็ ไ, นไปทําให้เขาเสียหายเดืนอนน้อนแต่แต่ว่าเหมือนกับเขาก็อาจจะไม่มีเงินกินข้าว อ, อะไรอย่างเงี้ยไม่นั่นเสีเราไปทําให้เขาเดืนอดน้อยงไง ทีนี้หนูก็เลยแบบเหมือนเหมือนวันเนี้ยมันวันนี้หนูก็นึกขึ้นมาว่าเออไ อ, อเพราะเพราะความที่แบบเราเกิดมาแล้วเราต้องแบบมาเจออะไรที่ยากลําบากแบบเนี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเกิดมาแล้วมันลําบากกิเลสอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแล้วมันทําให้เรารู้สึกติดถัดใจอันนะถ้าอยากจะปฏิบททัติธรรมมันก็ต้องไปอยู่คนเดียว <c oughs> หนูก็รอเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวใช้นี่ให้เสร็จส่งลูกคะ่ะ <c oughs> ก็จะ ทีนที้ที่เราเคยคุยกันหลายครั้งเรื่องของที่เราต้องการตัดพบตัดชาติอะคะ่ะ ม, มันหนูจะมีมีหนูมีคำถามนิดหนึ่งตรงที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วเขาจำอะไรไม่ได้จนวาละสุดท้ายอ่ะมันจะคล้ายๆกับการ เ, เป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาคุณจอเป็นค น, นละแบบกั น, นแบบกันใจเ็าป่วนอยู่ในใจของเร า, านล้นทําไงเราไม่รู้เขาป่วน กินตรงนั้นเคยตรงนี้ไปแต่จําอะไรไม่ได้อ๋อเพราะฉะนั้นอ่าก็ก็เป็นเป็นโอกาสมากที่เขาก็ต้องกลับมาเวียนไหายตายเกิดตามบุญตามกรรมแน่ น, นอนแน่นอนอือมแล้วหนูจะพยายามก็ด <c oughs> ีเลยไปเอาใช้เมื่อเราตัดพบชาติได้กันดีไม่ต้องทำอะไรใช่ค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าวันถ้าวันหนึ่งอะเราป่วยแล้วเราเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเราปฏิบัติทำด้วย <c oughs> มันจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยคะเพามันเอาสามเณรมันก็ปฏิบัติทําไม่ได้มันไม่มีสติพ อ, อ, พอที่จะพูดถวาอ๋อสติค่ะอ่าไม่มีสติันเป ค, ค่ะนี่งั้นก็คือเราก็ต้องก็ต้องอา่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเอ่อาใช่กว่านายเสมเณรมันก็คิดมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปแล้วมันก็ไม่ น, นึกวน่ามันคิดอะไรมันง่ายหลงลงลุ่มเลยไปอืมค่ะหลวจะพยายามไม่เป็นลูกนี้ค่ะอย่างงี้ยค่ะ ถ้า<ต>มีสติตไม่ค่อยเป็นอคุอูบาอาจารย์น้องปู่น้องตาน่้นอยู่กันเป็นร้อยปีน้นส ต, ติของท่านดีความจำท่านก็ดีอือค่ะขอบคุณในความเมตตาค่ะอาาคุณมริกาต่อ น, อ น, ออ น, นอะครับนครศรีธมราชการพรราการเจ้าค่ะว่าลาทิวานาวาค่ะ ก็ปฏิบัติอยู่นะครับอาจารย์ก็วันนี้ก็ก็พยายามเพราะว่านึกถึงคุณอาอุษาล่ะนะ ค, คุณอาอุษาแล้วก็ก็จะได้ไปทุกปีดังนั้นหนูก็ต้องเร่ง้ร่งที่ว่าพอช่วงตอนหัวลุ่งตอนหัวรุ่งพอ่อปลุกให้เอากระถนไปทิ้ง น, น, นะครับอาจารย์แล้วว่าหนูก็ก็มานั่งทำสมาธิกับอาจารย์พอนั่งทำสมาธิแล้วก็บางทีก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างก็หมายถึงว่าบางทีก็ต้องต้องรีบไปทํากับข้าวต่อแต่ว่าก็ทําอยู่กับพระอาจารย์ต้องพยายามต้องใช้แบบช่วงเวลาเล็กเล็กน้อยน้อยตงนั้นก็หาโอกาสที่จะได้ทําให้ได้มากขึ้นดก่อเจ้าข่าวว่าอาจารย์ก็ได้ามีความขุ้นเายก็ยังดีอ่อใช่ใช่เจ้าข่าว่าอาจารย์แล้วก็ตอนหัวค่ําตอนหัวค่ํานั้นกว่าพ่อจะเสร็จก็ประมาณแปดครึ่งค่ะว่าอาจารย์ว่าแปดคึ่ง เอมาก็คือทุ่งทุ่งกว่ากว่าก็ก็ให้พ่อได้สวดมนตน์ไหว้พระแล้วก็ให้แบบนวดนวดตัวพ่อก่อนเพราะว่าพ่อเข็ดพ่อเมื่อยพ่ออะไรอะไรนั่นก็ก็ทำตามหน้าที่ของที่ว่าพอที่จะช่วยพ่อให้ผ่อนคลายภาระการเจ็บปวดตรงนี้ได้ก็ ก็ทาทายาให้หน่อยหนึ่งก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้นั้นมีอย่างหนึ่งที่คือตาตาโมวค่ะพระอาจารย์ก็ตามัวแล้วก็ก็สงสารก็สงสารตรงที่ว่าพ่อจะบอกว่าตาพระมองไม่ค่อยเห็นในกันนั้นก็กคือต้องต้องพยายามที่จะพูดคุยให้กำลังใจพ่อตรงนั้นแล้วก็พอเสร็จแล้วลูกก็ได้ปฏิบัติ ข่าววิาการได้เล็กๆแน่น้อยบางทีความทาความอะไรแล้วแหะพร้อมกับพ่อไปอะไรแบบนั้นพอได้ยินบ้างมันได้ยินบ้างก็ก็ว่าไปตามบรณีข่าววิทยาการเขาพยายามกับววิทาการถือว่าไม่ได้ขึ้นเขาก็พยายามแต่บอกว่าอบอกคุณอาอุสาวะว่าถ้าปลายปปีถ้ามีโอกาสว่าจะขึ้นไปเจ้าขาววิทยาการไม่ต้องรอขึ้นเขาแลอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติไปตามกําลังของเราคน แต่แต่ดังที่ป้าอาจารย์ที่เคยเรียนป้าอาจารย์นั่นแหลค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านก็มันได้ไม่เต็มที่ค่ะได้ไม่เต็มไม่เต็มหมดก็ดีก็ไม่ได้เลยดีก็ไม่ทําเลยใช่เจ้าค่ะพ้าอาจารย์ก็พยาําอยู่ส่วนพุท่ะพุทโธผู้โธช่องหมายประจำเลยครับอาจารย์อืมก็เรื่องมันกลับมาบ่อยๆเพราะมันหายเพรรู้สึกตัวก็เรียอมันกลับมาใหม่ อ๋อก็ก็ยังดีใช่ไหมคะพระอาจารย์ดีดีอยู่ใช่ไหมค ะ, มคะว่าบางทีก็เออนึกเอ่อพุทโธหายอีกแล้วว่าันั้นพุทโธหายอีกแล้วนะอืมพอรู้ว่าพอพุทโธหายก็เรียกมันกลับมาใหม่หพุทโธใหม่ใช่ค่ะพระอาจารย์พอพอเจอปัญหาต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะพระอาจารย์เมื่อมาถึงอาทิตย์นี้ก็เจอกับอารมณ์ก็คือหมายถึงว่าพอเจ อ, อก็คือเรามีอารมณ์อืมปิ๊ดขึ้นมาก็เลยแบบ อ๋อกำลังมันมันกำลังเดือดขึ้นมาน ะ, ะแล้วก็เราจะซอบมันลงมาให้ออพุโทโธพุ ท, ทโธก็ได้ใค่ะอาจารย์าคำถามยัไม่มีนะคะวั น, นโอเคค่ะสาธุาค่ะคุณนาเวนตบคอณนาเวนยงเทพเลยสวัสดีครับพระอาจารย์ได้ยินชัดไหมครับชัดเจนเลย อาจารยครับพอผมนั่งสมาธิแล้วออกมาจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอาการสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะฮะเหมือนกิเลสมันยังไม่ทํางานนะครับถูกต้องทีนี้ไอ้ตัวกิเลสมันน่าจะอยู่ในขันห้าใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มันอยู่ในใจเราอยู่ในใจอยู่ในที่อยู่ในความรู้สึกในคิดของเรานอยน่ในสัญญาอยู่ในสัญญาความจํำเรา เดี๋ยวพอเราไปคิดถึงขนมมันก็มาแล้วอยากกินขึ้นมาทันทีครับถ้าเราไม่คิดถึงขนมมันก็ความอยากกินก็ไม่มีถ้าเราพุทโธพุทโธไว้มันก็จ ะ, ะมันก็ยังจะรักษาอุเบกขาไว้ไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งหรือถมันเด<อ><อ>ี๋ยมันไปเห็นอะไรเข้ามันก็มันก็กระเล็มันก็มาได้เห็นขนมทันทีจะคิดถึงขนมไปเห็นขนมมันก็อยากกินขึ้นมา การที่เราไปพุโทโธพุทธโทไว้นี่ก็คือการที่เราสกัดกั้น<ส>ความอยากสกัดกั้นใช่ไหมครับอาจารย์อหยุดมันชั่วคราวไม่ได้หยุดแบบถาวรพ อ, อสติเราอ่อนกําลังความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เหมืครับดันั้นถ้าอยากให้ใ ห, ให้ความอยากหายไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเช่นอยากจะได้แฟนเนี่ยมันเป็นทุกข์ มีสุขก็จริงอะ่ะแต่เดี๋ยวก็ทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวก็มีปัญหากับแฟนอ่าสอนที่สอน<ด>สมอนที่ทำอะไรสอนตอนออกจากตอนที่มันอยากสิอสอนตอนที่ไม่อยากเลยอ่าเอือ้อสอนเนื้อสอนไว้ล่วงหน้าเผื่อไว้ก่อนก็ได้ถ้าตอนนี้เราเป็นส่วนก็บอกอย่าไม้มีแฟนนะมีแฟนแล้วมันทุกข์เพราะต้องไปต้องไปดูแลเขาไปรับใช้เขาหรือว่า เ, เดี๋ยวดีไม่ดีเขาก็เบื่อเราขึ้นมาเปลี่ยนใจเขาไม่ชอบเราขึ้นมาแล้วเราก็จะเสียใจได้ครับมองเขาว่าเขาไม่แน่นอนอันนี้จังอนัตตาควบคุมบังคับเขาไม่ได้ครับต่อไปมันก็จะไม่อยากจะมีแฟนทุกครั้งที่คิดอยากจะมีแฟนเราคิดถึงตายรักปั้มมันก็ไม่เอาดีกว่าครต้องซ้อมไว้ก่อน อาจารย์ในตัววิญญาณขันกับตัวธาตุรู้นี่มันตัวเดียวกันไหมครับอาจารย์สองตัวกันวิญญาณนี่เป็นตัวรับรูปเสียงกิ่นรสที่มาทางตาหูจะมูกนิ้วกายแล้วตัวรู้เป็นตัวรู้วิญญาณอีกทีหนึงรูปรู้เสียงอีกทีหนึงตัวรู้มันรับข้อมูลจากวิญญาณอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่วิญญาณเป็นตัวมันเองก็มันก็ไม่รู้วิญญาณเพงแต่รับรูปเสียงกิ่นรข้ามาั้ย แต่ว่ า, าตัวที่สิเลนเป็ น, นทนี่รู้ก็คือใจท่รู้รู้คือใจรู้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็คือใจแล้วก็การความยินดีน้อขึ้นมาคือใจโอ้ครับแล้วเราจะเอาใจเป็นรู้แทนวิญญาณได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใจมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปรับรูปเสียงกลิน่นมาจากร่างกายได้ต้องอาศัยวิญญาณเป็นตัวทําทําหน้าที่ เพาะวิญญาณมันเป็นดึงสัญญากับสังขารขึ้นมาใช่ไหมครับที่มันเกิดกิเลสก็พอมันเห็นรูปมันสัญญามันจะลบมันก็จะคิดขึ้นมาว่าไอ้คนรูปนี้เคยเห็นมาก่อนหรอือเปล่าคนนี้เคยเห็นมาก่านหรือเปล่าสัญญามันก็จะค้นหาในในระบบความจําว่ามีไหมถ้าไม่มีก็บอกอ๋อคนนี้ไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงว่าเราต้องไปแก้ในสัญญาใช่ไหมครับอาจารย์สัญญาน่าแก้แก้ที่ใจรัก เราสัญญามันจะมองเห็นว่าเป็นสุขไงเห็นรูปก็ว่าเป็นสุขเห็นเสียงก็เป็นสุขเราก็ต้องมาสอนสัญญาหมายว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงหรืไม่ใช่เป็นสุขมันสุขตอนต้นอันเดียวพอมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอืมครับอาใจนะสัญญาเก่าเราสัญญาเก่าเรามักจะมองเห็นเป็นสุขเห็นนั่นก็สุขเห็นี่ก็สุข แต่มองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันสุขจริงแต่เมื่อมันหมดไปมันก็กลายกายเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องคอยสอนตัวสัญญานี้ใช่ไหมครับให้ใช่ให้ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมมั่งครับให้มันเที่ยงอยู่กับเราไปได้ตลอดอืก็ต้องใช้กําลังสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมีสมาธิอย่างให้เราเอาว่ญญาณสมาธิมันจะมีอุเบกขา เหลืมันยังไม่ทํางานแล้วก็มาสอนตอนนั้นเอ๋อครับสอนว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงราม ย, ยสาศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงอะไรมันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมแต่าเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดแล้วดับเจริญ แ, แล้วเสื่อม ตอนนี้ยเข้าสมาธิแล้วมันเอาอยู่อาจารย์แต่ว่าเวลาออกมาจากสมาธิเนี่ยโอ้โหมันตาหูจมูกลิ้นมันเปิดหมดเลยครับมันก็ต้องมีสติคอยคอยดึงไม่อย่าไปไม่จะเป็นก็อย่าไปดูอย่าไปสัมผัสโอ้ลดการสัมผัสลงใช้พุทธโทพทธโทพุทโธแร้วพุทโธอา่อาอา่แล้วเราเราเพ่งได้ไหมครับอาจารย์เพ่งจดจ่อไปที่ที่บางสิ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับก็เพ่งที่ร่างกายเวลาเพ่งที่ร่างกาย อ่าเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ครับกําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังกินกําลังดื่มก็เฝ้ามันตลอดเวลาไม่ให้ไปดูอย่างอื่นเลยพระที่เป็นพระอริยนะครับพระอาจารย์จะแตกต่างระบบการทํางานจะแตกต่างครับคนปุถุชนไหมครับตามที่สัญญาอย่างเดียวตอนที่ท่านเห็นใจรัก บุตรชนมองไม่เห็นใจนะโอครับนางที่สัญญาอ่านางที่สัญญาแล้วที่บอกว่าจิตตื่นรู้นี่คื อ, อยังไงครับอาจารย์ก็ตื่นรู้ว่าไม่รับจิตสงบไหมจิตสงบมันก็จันก็จะตื่นครับแล้วไม่สง บ, บมันก็จะถูกความความหลงครอบงาให้มันงมงายมันกับคนคนคนคนที่ไม่มีสติเองนะเราไม่ตื่น มัวเมากับรูปเสียงกลิ่นรวดมัวเมากับลาบยศสารเสริญแต่พอเข้าสมาธิจิตสงบเจิตมันก็เติอนจากความมัวเมาครับ ม, มันก็เลยนิ่งสงบอนิ่งสงบมีความสุขมันก็เลยไม่อยากได้อะไรครับแล้วยิ่งใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ต่อไปยิงย่งจะไม่ไม่ต้องการอะไรเลยย่างถาวร ครับมีเท่านี้ครับอาจารย์ครับโอเคพอจิตไม่อยากได้นะจิตก็อิ่มสงบเป็นนิพพานขึ้นมาครับอ่านคือเป้าหมายตัดความอยากให้หมดนะจิตก็จะสงบเย็นสบายไปตลอดมันมันจะเห็นพอเรามีสมาธิแล้วมันจะเห็นความอยากใช่ไหมครับอาจารย์มั น, มนจะเห็นง่ายกว่ า, ง, าง่ายกว่าตอนที่ไม่มีสมาธิ ตอนที่ไม่มีสมาธิมันอยากอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> มันก็เลยมองไว่เห็นพอเวลานั่ง น, นั่งสมาธิความอยากหยุดไปแล้วก็เลยเห็นความแตกต่างตอนเวลามนามีความอยากเขาไม่มีความอยากเวลาไม่มีความอยากจิตเ ร, รนิ่งสงบสบายพอเกิดความอยากขึ้นมาจิตเราก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีครับใช่ไหมเวลาอยากได้อะไรนี้ใจเราวุ่นวายไหม มุนหายครับจันอย่างตอนนี้อยากจะเป็นนายกไหมเนี่ย <c oughs> ไม่อยากครับเอถ้าอยากถ้าอยากเป็นมุ่นหมายเนี่ยคืนนี้นอนไม่หลับกัญญานี่ครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นแหละนิดชมความอยากรับ <c oughs> คนที่คนที่ไม่อยากเป็นนายกคืนนี้ก็นอนหลับปุ้ยสบายอย่างพวกเรานี้ไม่มีความอยากเป็นนายกเพราะเราไม่มีสิทธิ์เราก็นอนดีกว่าไม่มีสิทธิ์ลุ้นอแต่พวกที่มีสิทธิ์นี่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรใช่ไหม ครับนั่นแหละความอยากมันทําให้จิตเราวุ่นวายไม่สงบไม่มีความสุขพอเราตัดความอยากไปได้ปั๊บจิตก็กลับมานิ่งสงบเหมือนเข้าสมาธิเลยมดยที่ไม่ต้องใช้สติถ้ามีปัญญาปัญญาสามารถทําจิตให้สงบได้เหมือนกันแต่มันยากกว่าสติครั บ, รบอาจารย์อยครั บ, นะรบขอบคุณครับอาจารย์ครับส่านเ อ่าคุณยินดีต่อนิวยไไรอร์กเป็นไงนะเออรอนกําลังดีอากาศกําลังดีคะ่ะท่านอาจารย์อื ก, ก็ก็ไม่มีคําถามอะไรคะ่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ก่อนไปอืมเหมือนเดิมค่ะมองสองเต้เหมือนเดิม<ต>นะ้อเคเราก็เหมือนเดิมนะขอบคุณขอบคุณ เมซิโบโกะขาค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านจายขอบพระคุณ<อ>ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่สอนาสาธค่ะที่คุณจุบต่อจุบโกเวโกเวนี่เป็นเมืองท่าไม่ใช่ใช่ไหมเมืองท่าใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะนัวัฒนการเจ้าค่ะเป็นเมืองท่า ท, ทางแถบแถบคันไซเจ้าค่ะพะอืจารอใกขคันโตค่ะแบคันโตนี่ก็จะเป็นเมืองท่าที่ก็คือโยโกฮามา่าค่ะ เป็นยังไงอยู่ที่นั่นมาเบื่อไหม อ, อยากจะกลับเมืองไทยไหมอยากจะกลับเมืองไทยบ้างไหมก็ก็เฉยๆฉจ้ะค่ะพอาจารย์กลับก็ได้ไม่กลับก็ได้เจ้าจขาพะอาจารย์ดีถ้าอย่างนั้นก็ดีถ้าอยากจะกลับก็เป็นกิเลสก็เฉยๆก็ปฏิบัติ อยู่ทุกวันค่ะรักษาใจทุกวันเจ้าค่ะอาจารย์ินดีาดตามมีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดสันโดดอยู่ที่ไ <c oughs> หนก็ได้นะถ้าไปทำตามความอยากมาันพออยากไปนู่มนมันพอไปอยู่ที่นั่นปั๊บเดี๋ยวมันก็เบื่ออยากจะมานี่อยากไปอยากมาอย่างีเจ้าค่ะถ้ามีสันโดดก็ไม่ต้องไม่ต้องดิ้นให้เหนื่อยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ยินดีตามมีตามเกิดเนี้ย <c oughs> ยังปฏิบัติมือนเดิม ปฏิบัติเหมือนเดิมก็ก็วันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าตอนตอนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูคุยกับลูกก็คือถามลูกว่าเนี่ยหนูหนูหนกับออยากจะพาลูกมันให้พระอาจารย์รู้จักเจ้าค่ะก็คือลูกที่เขาป่วยอะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ปรากฏว่าคือมันก็ยังไงอะคือ ลูกหนูสามีเขาเขาเป็นคาทอลิกใช่ไหมเจ้าคะเขาก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะค่ะพอเราไปตั้งกล้องอยู่ข้างล่างอยู่ชั้นล่างเนี่ยก็เดินรัดไปรัดไปรัดมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็จะทํานู่นทํานี่ตลอดก็เลยหนูหนูไม่สงบเลยหนูก็เลยแบบว่าเออถ้างั้น เราหนูขอตัวขึ้นมาข้างบนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เหมือนกันไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาเชว่ายังไม่ถึงเวลาอะ<ค>ยั ง, ไ ม, งไม่ถึงเวลาของเขาเจ้าค่ะก็เนี่ยค่ะก็รักษาใจอยู่แล้วลูกพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นได้ฟังภาษาไทยเข้าใจ แต่ผู้ภาษาไทยนี่คือต้องคิดแล้วก็เป็นสำเนียงกะเหลี่ยงค่ะาอาจารย์เก็ยังยังพอจะพูดได้อยู่นะพูดได้เจ้าขาพระอาจารย์อย่างน้อยเป็นภาษาแม่ครับรู้กกับคนจะเรียนบ้างนะคนจะก็คือเวลาหนูอยู่ที่บ้านหนูก็คือพูดภาษาไทยกับลูกตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แต่เขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกครั้งเลยค่ะพระอาจารย์อาจจะต่อต้านนในใจเขายังต่อต้านอยู่เขาอยากจะเป็นญี่ปุ่นเต็มตัวมากกว่านะ เ, เราคนไทยอาจจะเป็นเหมือ น, อนกระเลงในสายตาเขาก็ได้ใช่ไหมค่ะคงจะประมาณอย่างนั้นนะคะวันนี้ปุ๋ยเขาถือว่าเขาเก่งเขาจเจริญกับเราใช่ไหมอืมเจ้าค่ะมไม่เป็นไรมนไม่นัเรื่องปรติตของของกิเลส ข, ของคนก็นยังลงตัวเองอยู่หาตาต่ะางดูดม ก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามไม่คิดไม่คิดอะไรมากค่ะอาจารย์ก็เอาเอาเท่าที่เราทําได้อาการของลูเป็นยังไงตอนนี้เขาตอนนี้ตอนนี้ก็คือแขนแขนข้างแขนข้างขวาเนี่ยค่ะยกได้แค่อย่างเงี้ยค่ะอืมือก็แบบทําอย่างนี้ก็ยังไม่ได้แต่ว่าเดินเดินเริ่มได้แล้วแล้วก็วันอาทิตย์ที่แล้วหนูเพิ่งไปติดต่อที่มหาลัยอ่ะค่ะก็คือตอนนี้ด r o p ไว้ก่อนก็ เดือนสี่ปีหน้าค่ะเดือนเมษาปีหน้าก็คือคงจะได้เละกลับไปก็คงจะนั่งวีลแชร์ไปค่ะพอาจารย์ใช้วีลแชร์แบบอัตเมติก่ะค่ะเขาเป็นนี่เพราะอุบัติเหตุนีืเป็นอะไเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะอาจารย์ก็ก็ไปความดันสูงไงหนูว่าเป็นที่เขานอนพักผ่อนน้อยแล้วก็กินเค็มเยอะพักผ่อนน้อยแล้วแล้วไม่ค่อยดื่มน้ํา แล้วอพอไม่ค่อยดื่มน้ำพักผ่อนน้อยเขาก็จะกินแต่ไอ้พวกเอเรียกว่าอะไรอะ่ะ energy energy drink ไงคะ่ะพระอาจารย์ e ู e r g y d r i n อะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับประมาณนั้นแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีเป็นแบบเขาจะมีห้องน o n s t e r อะไรเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะชอบดื่มเวลาอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยก็จะดื่มเยอะเลยช่วงนั้นที่หนูสังเกตนะคะในห้องเขากระป๋องนี่เพียบเลยกระต้นนะใช่แล้วอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนั้นนะคะ พักผ่อนน้อยนี่คือน้อยจริงๆเพราะลูกหนูเขาเรียนด้านอนิเมะแอนิเมชันใช่ไหมคะก็จะนอนวันละสมชั่วโมงอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเด็กก็ตื่นไปละอะไรเงี้ยค่ะที่นั่นเขาแข่งกั น, กนสูงเลยนะแข่งกันสูงมน่าจะค่ะก็เลยแต่ในว่าได้ข่าว่าเด็กบางคนถึงเอาฆ่าตัวตายนะอะไรเนี่ยมีเยอะคะ่ะพระอาจารย์เมีเยอะนะพอผิดวังไม่สามารถเข้ามาอะไรได้เข้ามาฆ่าตัวตายนะมีมีเยอะมีปัญหาปัญหา เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะเด็กเด็กที่เนี่ยค่ะแลอีกอย่างเขากดดันสูงนะมีคากดดันสูงแล้วก็เขาไม่มีที่พึ่งด้วยมั้งคะพระอาจารย์เขาไม่มีที่พึ่งไม่ไม่ทำมาไม่มีสันโดษไม่มีสันโดษทุกคนต้องต้องมนที่หนึ่งทุกคนต้องมาที่หนึ่งมาวินใช่ใช่ค่ะทุาคนชือชือบางท่านไม่ได้สบายสบายได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีค่ะ อืมได้ก็ดีไม่ได้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ไปย้ายไปทํางานที่เมืองไทยเขาถึงชอบเมืองไทยมากไงคะพระอาจารย์เพราะมันแบบทํางานสบายไมกดดันไม่กดดันในที่ทํางานเนี่ยหลายๆคนหนูเห็นแบบพอจะกลับจะย้ายกลับญี่ปุ่นนี่ก็คือแบบร้องห่มร้องไห้พวกบรรดาอักษรอะไรอย่างนี้ก็ร้องร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยต้องกลับมาเจอความกดดันนี่ใช่แล้วหลายๆคนที่เป็นคนไทยหลายๆคนที่พอโดนส่งไปที่ที่อยู่ไทยพอจะให้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้ง แต่หลายคนเขาก็จะแบบเลือกที่จะลาออกเลยนะเจ้าค่ะก็คืออยู่ไทยดีกว่าเลยเป็นอย่างนี้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์เพื่อนหนูอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละเจริญทางวัตถุแต่ถ้าน่าจิตใจไม่เจริญจิตใจเครียดจิใจทุกเจ้าค่ะโอเคก็รักษาใจกันไปค่ะจากขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเราอย่าไปเครียดอย่าไปทุกเนะยเราก็รักษาใจไว้ก่อน หนูดีใจที่ได้รู้จักพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนหนูก็เครียดนะคะที่หนูเข้ามาในซูมข้าพระอาจารย์เนี่ยก็คือเมื่อก่อนหนูก็มีปัญหาด้านการทํางานนะคะแล้วก็ได้พระอาจารย์นี้ค่ะสอนสั่งตักขอบพระคุณนะเจ้าคะ yeah. ่นน<ร>ะอันนี้ยังทำงานอันนี้ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมะหนูหนูลาออกจากที่ทํางานเดิมมาแล้วค่ะนิงตอนนี้หนูทํางานไหมเพราะว่าหนูต้องเผื่อเวลาไปดูแลลูกด้วยเจ้าค่ะเมื่อก่อนหนูก็ทํางานแบบ แบบเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็คือก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลเขาก็ได้ได้งานใหม่แถวบ้านนะคะพรอาจารย์ เ, <อ>เป็นงานเล็กๆก็เลอกๆน้อยๆเล็กๆน้อยอะคะ่ะพรอาจารย์สามีก็ไม่ว่าอะไรสามีไม่ว่าอะไรคะ่ะพระอาจารย์แล้วแต่เราคือตอนแรกเขาจะให้หนูเราออกแบบมาอยู่ดูแลลูกเลยเพราะว่าลูกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่หนูก็แบบเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราลาออกมาเนี่ยมันเหมือน ใช้จมูกเขาหายใจอะคะอ่คะพระอาจารย์เราต้องมีอะไรของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องหาข อ, อ, อ, อ, อ, อเวลาของตัวเองบ้างมันก็ดีนะคะเพราะว่าการดูแลคนป่วยตลอดเวลานี่มันเครียดอะคะ่ะถ้าเราออกไปมีเวลาของเราแค่วันละสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ยังยมันก็ยังคล า, นะายนิดนึงค่ะโอเคขอบคุณเจ้าค่ะใช้ธรรมะสู้นะอาจารย์ ยึดธรรมะยึดเมตตากรุณามุญิตาเบาิกขาโอเคท่านทุกคุณปุ้ยมีมุญิตาเบิกขาไหมมีเมตตากรุณามุญิตาเบิกขาหรือเปล่ามีกล่าวทำไม่คันค่ะพระอาจารย์มีข้ามีทุกวันเลยมีอะไรคุณปุ้ยก็ถือศีลเหมือนอย่างเดิมค่ะ กลางวันก็ถือสินเจนไม่กันงคืนก็ถือสิลแปดเย็นไม่เคยกินข้าวเย็นเลยค่ะก mm. ินมือดีแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนน่ะปฏิบัติดีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โดนกระทบหน่อยโดนกิเลสกระทบหน่อยคือพอดีลูกชายมาเขาอ้าวขนปัญหามาให้อีก่เ อ, อเดี๋ยวเขาก็แบบเขาเป็นเด็กผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยขอตังไม่มีตังก็ไม่ขอตัง ไอ้เราก็เป็นแม่เราก็รู้และพอไปเอารถไปคนโทรนอา้าวรถกระดันไปมีปัญหาอีกอา่าโยมก็ต้องเอาและหมุนหมุนต้องแก้ไขและโยมก็เลยเอารถโยมมาไปเช็ครถโยมนันก็ใหม่ออกพระจานทร์ทีนี้มันโยมโดนแก้งโยมโดนไอกระดาดแก้งเมื่อวานนี้มันคือเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงไงเขาก็บอกว่าเขาออกบินมาทีนี้โยมเข้าใจภาษาโยมก็เลยบอกว่า ไม่เอาอะ่ะฉันจะเอารถกลับบ้านมันมันก็ให้ยอมเซนแบบเหมือนกับว่าถ้าเธอขีออกไปเนี่ยเ อ, อรถอ ย, ออรยูจะต้องเรถยูมีอุบัติเหตุอะไรยูจะต้องรับผิดชอบเองเออยอมก็เลยตัดสินใจยอมคือยอมขี่ออกมาแล้วยอมก็เข้าไปในอีกกะละหนึ่งกะลดซึ่งซึ่งยอมเข้าไปคือเซนยอมบอกเลยว่าเออโดนแกงพันเปร์เซ็นเลยและจริงๆยอมโดนแกล้งก็ใช้อุบัติเหตาไปแล้วกัน ใช่โยมก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้กนะแต่ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ตอนแรกมันก็จะวิทขึ้นมาทีนี้มันมันเหมือนกับว่าเหมือนกับมีพระอาจารย์มาสั่งเคยสั่งสอนไว้ว่าเออเราก็นั่งสมาธิปฏิบัติมาแล้วมันทําให้เราเย็นลงเลยแลบบคือมันเหมือนข้างในมันจะพูดว่าเย็นไว้โยโมเย็นไว้เย็นไว้เออก็เลยก็เลยบอกว่าก็เลยเอาตัวรอดว่าเออฉันก็แบบไม่ได้พูดกับเขาว่าอะไรเขาแรงๆเราก็เรารู้ว่าเรา ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอินจิเนียร์เราก็ต้องใช้บริการเขาเราก็บอกว่าโอเคงั้นเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครั้งนี้ฉันจะมีข่าประจำอะไรอย่างเงี้ยเราเดือนนี้โยมเสียกระตังมาเยอะเลยอาจารย์บอกบอกก็เลยบบคิดว่าทำบุญทำทานไปกันแล้วกันคิดว่าทำบุญทำทานไปกันแล้วกันแต่โยมถ้าเป็นเมื่อก่อนโยมคงวิตแต่แต่ว่า พอตั้งแต่โยมมาปฏิบัติกับพระจนันนี้คือโยมละไปได้เยอะนะฮะอ mm hmm. กับเขามีไอ้ตลาดอะตลาดโซเซลของอะไรเงี้ยนะโยมไปก็ไม่รู้สึกนะว่าเฮ้ยฉันจะต้องซื้อถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เราโอ้ชอบกระจายเลยเราแบบชอบแบบเป็นคนบ้าเป็นหลังเลยชอบกระจายแต่นี้เราไปเดินแล้วเราไม่เคยคิดที่ว่าเราต้องการอย่างเงี้ยนะคะโ mm hmm. ยมก็เลยบอกกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ ที่ว่าโยมได้เข้าปฏิบัติธรรมได้ถือศีลได้อววรของพระอาจารย์แบบเป็นบุญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะใช่ใช่โยมไม่ไม่ถอยแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ากับเขาก็มาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโยมปฏิบัติแต่หยัดจะ่ย่อนยานสักหน่อยแต่โยมก็ไม่เคยละค่ะอไม่เป็นไรทำมันเต็มทำตามที่ทำได้ใช่โยมโยมแล้วโยมจะเดินทางธรรมโยมโยมไม่ย้อน การศึกษาการเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้ขขาค่ะจ่าสาธอ่าคุณมาลาเช่นคุณมาลาเพิ่งเข้ามาข้างลา่างกระเป๋านียไม่เคยเห็นหน้าอา๋อเคยเข้ามาเมื่อสามสี่เดือนก่อนค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนนะอยู่ชิคาโก้ค่ะพระาอาจารย์ชิคาโก้ค่ะเปยังไงไปอยู่านานแล้วยังชิคาโก้ นานมากแล้วค่ะอยู่ยี่สิบปีแล้วค่ะพระอาจารย์ลกลับมาบ้านบ่อยไหมกลับทุกปีเลยค่ะพระอาจารย์คิดถึงเมืองไทยค่ ะ, คะที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะได้กลับไปปฏิบัติธรรมก็ชอบค่ ะ, ะตั้งใจว่าอยากจะกลับไปทุกปีเคยมาวันยานหรือเปล่า มาค่ะครั้ที่แล้วตอนกลับก็ไปเจอพระอาจารย์ค่ะไปนั่งฟังพระอาจารย์เทศวันนั้นมีฝรั่งเต็มเลยค่ะได้ฟังเป็นภาษาอังกฤษโปรตุเกสอยไรมาติดตัวใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อสองสามสี่เดือนที่แล้วค่ะค่ะค่ะก็วันนี้เข้ามากราบค่ะพระอาจารย์ตั้งใจว่าจะพยายามจะปฏิบัติทําให้เข้มข้นขึ้นค่ะพระอาจารย์วันนี้ออกเวนมาอืม ทันผ <พา S 1> ้าจันก็เลยดีใจค่ะทำาไมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะ <Okay. S 2> ะพยายามเข้ามานะคะถ้าเกิดออกเว้นทันอ่าได้ไ้โอเคสาธุขอบคุณค่ะสาธุค่ะน้องเอิงต่อน้องเอิอ ง, อองอไม่ได้เข้ามาหลอาทินนะเข้ามาไม่ได้ไม่ทันนะ กาวนามัสการค่ะพระอาจารย์ขาดไว้แค่ทีเดียวที่ที่แล้ว <laughs> เอิงเอิงค้างไว้นานมากจนกว่าไลจะจบค่ะแต่ก็ไม่ได้เข้าแต่ไม่เป็นไรค่ะอโอเควันยาวทีพูดมาพูดพูดยาวมันก็เลยกินเวลาไปหมด <laughs> ให้ให้คนอื่นว่างก็ได้ค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมา เ อ, อส่งกลับบ้านพระอาจารย์เพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้าน่ะ น, นะคะ่ะพระอาจารย์บอกเอิงว่าให้ลองถามเอไอว่าถ้ารู้สึกเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่ามันจะตอบอยังไงคะ่ะคือมันให้มาหกข้อคะ่ะพระอาจารย์มันบอกว่าข้อที่หนึ่งให้กลับมาเริ่มที่ศรัทธาในความจริงไม่ใช่ศรัทธาของงมงายแล้วก็ให้ใช้หลักกรารมาสูตรค่ะว่าให้เชื่อสิ่งใด ได้พะได้ตรวจสอบแล้วว่านำไปสู่ความดับทุบจริงๆถึงจะเชื่อค่ะแล้วก็ข้อสองให้อ่านหรือฟังพระธรรมข้อสให้ระลึกถึงคุณพรตาตนไตพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณค่ะแล้วก็ข้อสให้หันกลับมาที่การปฏิบัติเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ข้อ5ใช้ความสงสัยเป็นครูไม่ใช่ศัตรูค่ะ แล้วก็ข้อหกสำคัญที่สุดก็คือคบกัลยานามิตรค่ะให้ใกล้ชิดคูบาอาจารย์หรือเพื่อนที่มีศรัทธาจะสามารถยกจิตใจเราให้สูงขึ้นได้ค่ะพระอาจารย์มันตอบมาแบบนี้ค่ะก็ เ, เก่งมากนะค่ะาจาระเด็เอิก็เลยถึงพระอาจารย์ตลอดค่ะเรายังตอบไม่ได้เลยหก ข, ข้อนี้พระอาจารย์ตอบตลอดนะคะค่ะ <laughs> แต่มันน่าจะเรียบเรียงจัดข้อมูลให้แบบคนอ่านเข้าใจได้ง่ายค่ะอ่านี่แหละดีทำมีของดีๆในสมัยนี้เราไม่จาเป็นจะต้องไปแสวงหาคนนั้นคนนี้มามาสอนเราเนี่ยเอาเอนี่ยเอไเขาก็คัดมาจากพระไตรปิฎกมาจากคำสอนต่างๆคระอาจารย์แต่ก็ต้องอย่าไปเชื่อ a อ1อ0้อยเอร์เซ็นะมันก็มีอาจจะมีผิดพลาดได้บ้างก็ต้องพิสูจน์เหมือนกัน ก็ต้องใช้หลักการมาสูดกับเอไอทุกอย่างต้องใช้การมาสูดมั้งค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากเอาเด็กกับพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์จําได้หรือเปล่าที่เอิงบอกว่าเอิงพยายามเคลียรสิ่งของที่ไม่จําเป็นในชีวิตค่ะแล้วพระอาจารย์เคยบอกเอิงว่าแบบใช้สบู่ก้อนเดียวก็ได้เอิงอ่ะไปเจอสบู่ก้อนหนึ่งที่สามารถทั้งทําความสะอาดตัวแล้วผมได้แล้วค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วค่ะมันก็เหมือนกันเน่ะเราไปแยกมันเองว่าอันนี้ต้องใช้กับผมอันนี้ต้องใช้กับร่างกายใช่ค่ะเออก็คิดดูอมันก็หนังเดียวกันนี่นะไม่ว่าจะแขนหรือหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จะพงซักพอก็มาใช้แล้วใช้ใช้ล้างได้ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะโอเคค่ะแต่มันก็จะขัดกับสัญญาเออนิดหน่อยเราไถูกเราถูกเขาโฆษณาภ่พสอนมาว่าต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้อย่างนั้นมันก็เชื่อเข้ามา ความจรมันก็เป็นน้ํายาซักพอกเหมือนกันนั้นแหละค่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็มากล่าวกับพระอาจารย์ค่ะอแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ดำเ น, นินชีวิตได้เป็นปกติปกติดีค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมีมีหลักยึดจิตใจค่ะก็รู้สึกว่าเอิงก็แก้ไขปัญหาไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าใจเอิงคืเอิงอ่ะไม่ไม่ทูกค่ะพระอาจารย์ โอเคขอบคุณค่ะเราทําอะไรเป็นปกติแล้วเนี่ทําอะไรเป็นปกติเหรอคะก็เออช่วงนี้ก็ต้องเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็แต่ปฏิบัติธรรมทำวาวาชาวาเชีนเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นปกติค่ะแต่ว่าไ ม, ไม่ต้องทำงานเลยเนี้ไม่ไม่ทําค่ะไม่ทํางานประจําแต่ว่าก็ยังใช้หลักว่าสมมติถ้างเงินหมด เราก็ยังมีช่องทางในการหาค่ะอก็คือทํางานกับกรมศริลปากรค่ะเอิงเป็นนักโบรังคดีแล้วก็เรียนไกด์สาร์าทิต์ค่ะก็เลยไปหน้ากุฏิไม่ได้สาร์าทิต์เดี้ออันนี้ต้องพาคน เ, เที่ยวเลยอ๋อใช่ค่ะไกด์อ่ะถ้าจบไปก็คือพาคนเที่ยวแบบถูกกฎหมายค่ะพระอาจารย์แต่เอิงอ่ะเรียนเผื่อไว้เผื่อไปอยู่ที่อินเดียแล้วเงินหมดค่ะ อ, อ, อันนียังไม่ได้ยังไม่ได้ เป็นการเป็นการเรียนอยู่ใช่ค่ะกลัสีเดือนน่ะเออประมาณหกเดือนค่ะแต่ว่าเรียนแค่สองอาทิตย์ค่ะคุอาจารย์แล้วเรียนมาถึงไหนนะครึ่งครึ่องทางหรือยังครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวทำอะไรก็ต้องทําให้มันจบนะเดียวให้มันจบค่ะคุอาจารย์โอเคทัค้งรักษาใจอย่างเดียวนะใจเราต้องไม่ทุกข์ไม่เครียด ค่ะผ่าอาจารย์มายืนยันว่าไม่เครียดค่ะอาจารย์โ okay, อเคดีอาจารย์าคุณโกะ้องคุณโกเะเรื่องถูกคุณ <โก S 1> คุณโ ก, โกใช่มจการเจ้าค่ะโกเจ้าค่ะกกแบบขนมปุริโกเจ้าค่ะอจารยค่ะตกาตาวัชการเจ้ค่ะก็วันนี้มค่ะ ก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่ามาเรียนพระอาจารย์ว่าก็ยศปฏิบัติอยู่ก็สวดมนต์แลวนน้วก็บริการหลือว่าในชีวิตประจําวันตอนนี้ก็เข้าใจที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าเออให้มีให้บริกรรมตั้งแต่แตื่นจนหลับแต่ว่าโกเองชอบคําว่านโมะจังค่ะพระอาจารย์ได้าชาใช่ไหกัน<า>ได้ใช่คาไหนก็ได้อา น, นิจจัง<ะ>นนาาก็ได้อนาตตาก็ได้ ค่ะเพราะว่าเคยลองบริกรรมคืออยากให้เหมือนกับว่าใจเราอยู่กับพรัตนาใจเป็นพทุทโธธโมสังโฆแต่ว่าเหมือนจิตเขาไม่เกาะมันเหมือนลองไม่ได้ไม่ได้ชอบคำนั้นนะคะใช่ แ, แต่เจริญอันนี้นะแต่จตเจริญ<ก>นะคะ ก, ก็บริกรรมในในในชีวิตประจำวันคือก่อนหน้านี้ที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าเพยายามทอ เอดูกายแล้วก็อกําหนดอริยบทแต่รู้สึกว่ามันใจมันไม่อยู่อะค่ะอาจารย์ mm hmm. พอพอเราเริ่มบริกรรมเรารู้สึกว่าเข้าใจที่อาจารย์รรสอนว่าให้ใจมีหลักคือเหมือนว่าพอเราบริกรรมแล้วก็จิตไปคิดะมันมันไปไม่นานแล้วก็กลับมาได้ได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้นานกว่าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าคนจะใช้การ กำหนดอายุยาบทอาจจะต้องให้คำนวณนิดนึงคือมือนว่ในชีวิตประจําวันมันต้องเหมือนสงบในระดับหนึ่งปิดวิเวกในระดับหนึ่งแต่ว่านี่แหะค่ะก็สามารถปรับใช้ได้ถ้าบางทีเราบริกรรมแล้วเสร็จเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนมาดูร่างกายก็ได้สลับกันได้อาจารย์ก็คิดว่าพอจะมีแนวทางนะเพราะว่าชาวก็สวมนต์บริกรรมแต่ว่าในการที่ปฏิบัติแบบ ที่เราปริวิเวกเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะทำได้แค่ชั่วโมงครึ่งส่วนที่เหลือถ้าเราเราเรารู้แล้วว่าเออเราใช้การบริกรรมเพื่อให้มีละในการผลใจมันก็ทำให้อีกเป็นสิบชั่วโมงเลยอะเราได้ปฏิบัติไปด้วยค่ะมันกจ็จะได้ต่อเนื่องค่ะอาจารย์นี่แล้วเวลานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าเนอะค่ะก็พยายามทำอยู่ ตั้งกจเลยค่ะอาจารย์ค่ะเท่มีบางช่วงเขาคิดทางปัญญามากนะคิดทางตายละอันนี้จังไม่มีอะไรที่ยงแท้แน่นอนใช่เพราะยังยึดอยู่หลายอย่างเลยคะ่ะอาจารย์คือเหมือนกับว่าตอนมีใจอ่ะคืออยากชอบชอบตอนที่เขาสงบก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้ให้ได้ก่อน คื อ, อนแปลว่าให้ให้ใจเราสงบให้ได้นานเป็นอัปปนา ห, หรือเป็นคณิกะก็ยังดีแต่เป็นคณิกะที่ถี่ถี่อย่างนี้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็กพยายามพยายามเพราะว่าพอจํานานค่ะพ อ, พ อ, พ, อพอใจสงบใจรู้สึกว่ามันมีพลังทางฌานเวลามันมีอะไรมา ก, กับผมมันจะไม่ค่อยแบบกระเพื่อมมากหรือแบบ ม, มันจะไม่แบบเหมือนถ้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันถ้าวันนี้เราใจเราดีใจเราแบบได้นั่งได้สดมุได้นั่งทาทาสมาธิมามันจะไม่ปิดตาะค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> มันจะนิ่งได้แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบดีเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีอะไรมนกระทบที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะได้แบบรักษาใจได้ตลอดค่ะอาจารย์ดกต้องดีมาก <ห>พยายามมีสติมีสมาธิไว้ก่อนคะพระอาจารย์อากองเชิญฟังค่ะเขาที่เราที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังไว้เอออยู่ที่นี่แบบได้เห็นแบบสัตว์บ้าอะไรเงี้ยคือเพราะว่าในหมู่บ้านนะคะมันเป็นเป็นภูเขาค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาเวลาจะตัดหญ้าหรืออะไรเนี้ยเครื่องตัดหญ้าเขาจะ มันไม่สามารถที่จะบิดเก็บรายละเอียดได้เขาก็ทางยุติเขาก็ไปเหมือนกับแบบให้ให้ให้เราซอสอะคะ่ะมาเอาแพะมาเพื่อที่ให้เอาแพะมาเล็ง้าแล้วเขาก็จะย้ายแพะไปจุดต่างๆในหมู่บ้านเพื่อให้แบบว่าเหมือนเหมือนแทนการตัดญ้าค่ะเราก็ได้ไใช่ค่ะเราก็เลยได้เห็นอะไรน่ารักน่าักแบบนี้เพราะเราโตมาในเมืองแล้วบ้านแบบเหมือนกับ เป็นฟอนเรนใช่มันจะใกล้ภูเขาช่วงหน้าร้อนเขาก็จะปล่อยวัวออกมาเดินหรือเวลาเราพาลูกไปแบบไปฮกิ้งไปแบบไปเดินป่าแล้วก็จะได้เห็นกวางแต่ว่ามันก็คือมันเป็นผังเมืองที่เขาวางไว้แต่มันก็ไม่ได้อยู่ในป่านะคะคือมีควา ม, มสะดวกสบายทุกอย่างแต่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะท่านอาจารย์หลังนีค่ะโอเคมีอะไรอีกไหม มึงเจ้พาพาราคาขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่าอย่าทิ้งนะแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยไม่มีคนปฏิบัติเป็นเพื่อนคือลูกก็เป็นแอบก็ก็แบบตอนอนู่ที่ไทยอะพาไปวัดตลอดตลอดยาวการปฏิบัตินี่มันต้องเป็นตัวใครตัวมันเอาไปว่าไปคำนวณกับคนอื่นไม่ได้นะใครคะจะปฏิบัติก็เรื่องของเขาไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเขาแต่ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆกนแล้วกัน ค่ะพระอาารคุณค่ะขอบคุณทุกคนโอเคคุณปูเป้าตาคุณปูเป้า ก, ก, การนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะเอาชัดเจนเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็มากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ลุยเรื่อยๆค่ะก็หมูดีใจตรงที่ว่าได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์เนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ร่างกายที่มีปัญหาแล้วก็ลุยได้ ก็เลยได้ไม่เห็นของดีหายใจสําคัญกว่ากายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจากพระจารย์นี่แหละเจ้าขาพระจารย์ก็เลยเฉยๆกับร่างกายจนลืมไปว่าหนูมีอุปกรณ์ในสมองขาพระจารย์เอ่ต้องรักษาใจยิ่งกว่ารักษาร่างกายมั่งเจ้าเ่าวร่างกายมองไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเส้นส่วนนองเจ้าขาพระจารย์ก็เลยได้มีปัญหาเลยก็เฉยๆกับร่างกายเลยค่ะพระจารย์ก็เลยใช้งานได้เลยค่ะพระจารย์ ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะถูกค<ส>่ะ ไ, ไม่มีแล้วจ้าโอเคงั้นไปเจอกุล้าต่อคุณลลาเม่กี่คําถามกลับนิมมสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะอ่าแชิรามาเลยกลับนิมมสการพระอาจารย์ครับการที่เราเสียชีวิตจําเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดงานศพครับ มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วล่เราตายไปแล้วเรื่องของคนที่เขาอยู่เขาจะจัดถ้าไม่จัดเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราคําถามต่อไปกระดูกเท่าฐานจากศพจะนําไปไว้ที่ไหนจะมีผลต่อดวงวิ ญ, ญญาณที่จากไปไหมครับไม่มีผลเลยเอาไปทิ้งถังขยะ ก, ก็ได้เอาไปลอยในน้ําก็ได้เอาไปเอาไปทําปุ๋ยโปรยอยู่ใต้ต้นต้นไม้ก็ได้ มันเนือมันเป็นธาตุธาตุดินไม่ใช่เกี่ยวกับตัววิญญาณเลยคนละเรื่องกันคำถามต่อไปเราสามารถทำสมาธิในขณะที่เราลืมตาได้ไหมครับได้แต่มันจะไม่ดีถ้าเร า, เราหลับตาสองคำถามต่อไปจากคุณเมล่อนปันขออนุญาตกับเรียนสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งอายตนะหก รูปรสกิ่นเสียงโพธพภะและธรรมารมณ์คือขันห้าหรือไม่คะไม่มันคนมันจะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่มันเกี่ยวข้องกันก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นขันห้ามันเป็นอายตนะตาหูจมูกเน้นกายรูปเสียงกินและโพธิภะมันเป็นเอกเอกเอกองค์หนึ่งแต่มันก็มันก็ต้องมีขันห้ามันถึงจะสามารถเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีรูปประคันนันก็ไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายถ้าไม่มีใจมันก็ไม่มีธรรมนิมกันห้ามมันก็คือกายกายกับใจสองอย่างมารวมกันมันก็เลยทาให้ให้เกิดมีอายทะน้าภายในกับอายทะนะภายนอกขึ้นมาค่ะคําถามสุดท้ายตรงที่ว่ามณนะที่แปลว่าใจเป็นของร้อน ทำทั้งหลายคืออารมณ์ที่เกิดแก่ใจเป็นของร้อนหมายความว่ายอย่างไรคะก็มันกิเลสไงกิเลสทำมันร้อนความโลภความโกรธความหลงทําให้ใจร้อนถ้าใจาให้มีความโลภโกรธหลงใจก็จะเย็นคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสําหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิง่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ